เราจะได้มาศึกษาพระพุทธคุณกันเลยเนี่ยนะพระพุทธคุณตั้งแต่บทว่าอารหังเป็นต้นไปก่อนที่เราจะเรียนพุทธคุณเนี่ยนะอยากจะให้ฟังถึงสิ่งที่ได้โดยยากก่อนะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะอาจจะยังไม่ได้ขึ้นบทว่าอารหังแต่จกหลังจะพูดถึงว่าสิ่งที่ได้โดยยากเนี่ยนะ ทุลพันจะเนี่ยนะทุเนี่ยแปลว่ายากแปลว่าไม่ดีแล้วกันลภ ะ, ะนี่แปลว่าได้สิ่งที่ได้โดยยากอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าทุลพันจะมนุษย์สตตังผู้ทุ ป, ปาโทจะทุลโภทุลพาคณะสัมปติสัตถมโมปรมะทุลโภทุลพาศัทธาสัมปติปัพชาจะทุลภาทุลพันสัตธรรมมัสวนังเนี่ยนะยพูดถึงสิ่งที่ได้โดยยากยากทั้งหลายเนี่ยนะ พระพุทธเจ้านั้นโดยปกติทั่วๆไปเป็นกิจของพระองค์อย่างหนึ่งหลังจากที่พระองค์ฉันเสร็จไปฉันอาหารในบ้านหรือที่ต่างๆเสร็จแล้วก็จะกลับมาวัดในตอนฉันฉันอาหารเสร็จเนี่ยนะก็จะไปประทับยืนที่ธรรมศาลาประทับยืนเสร็จแล้วก็ให้โอวาดพระภิกษุอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะพระองค์นี้ประทับยืนพระองค์ก็ประานอวาดแก่ภิกษุสงฆ์ อันนี้เป็นกิจวัตรประจำปกติของพระองค์หลังจากกลับจากบินทบาทเนี่ยนะพงค์จะประทานว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอหมายคําว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะถามว่าไม่ประมาททําอะไรไม่ประมาทในการยังประโยชน์ตนไม่ประมาทในการยังประโยชน์ของผู้อื่นอนะคําว่าประโยชน์เนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นประโยชน์ โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะพระพิสูจนทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งที่ท่านเน้นคือเน้นประโยชน์อย่างยิงย่งเนี่ยนะแต่การที่จะแนะนำผู้อื่นเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับคราวาททั้งหลายก็จะแนะนำประโยชน์3ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเนี่ยนะเช่นแนะนาประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งหลักของความเพียรเป็นต้นอย่างหนึ่ง แล้วก็แนะนําในเรื่องของการให้ทานเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่โลกหน้าเสร็จแล้วเวลาให้ทานก็ควรตั้งจิตให้ชอบนะเพื่อตั้งเอาไว้เพื่อมรักผลก็จะแนะนําประโยชน์3แก่ผู้อื่นแต่ถ้าโดยลําพังส่วนตัวของท่านจริงๆท่านจะเน้นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนท่านจะเน้นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหรือว่าประโยชน์ในการแทงตลอดอริยศัพท์เนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันก็เอาประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยมาบอกคนอื่นด้วยกิจอันนี้ต้องทําด้วยความไม่ ประมาททำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความรอบคอบเป็นต้นพอพระองค์ตรัสอย่างนี้เสร็จพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าทุรพันจะมนุษย์สต่าังความเป็นมนุษย์นี้หาได้ยากว่างง้นเป็นของที่หายากนะไอความเป็นมนุษย์เนี่ยนะอย่างที่สองก็คือพุทุปปาโททุลภ์ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากอย่างที่สามบอกว่าทุลภาขณะสัมปติ ความถึงพร้อมด้วยขณะหาได้ยากสัทธัมโมปรมะทุลโพนั่นนะพระสัทธามนี่หาได้ยากอย่างยิ่งเนี่ยนะโดยเฉพาะพระสัทธามนะหายากจริงๆแล้วก็ทุลภาสัทธาสัมปติความถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็หาได้ยากเนี่ยนะคนมีศรัทธาหายากนะปปชาจะทุลภาการบวชก็หาได้ยากแล้วก็สุดท้ายก็ว่าทุลพังสัทธรรมัศวันัง การฟังพระสัธรรมนี่ก็หาได้ยากซึ่งจะสิ่งได้ยากเหล่านี้จะขยายต่อไปแม้แต่ในคาถาธรรมบทนนะในพุทธวัค์เรื่องเอรกปัตตะนาคราชพง ก, ก็ตรัสว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโพความได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่นะเป็นการยากอย่างที่สองก็กิจฉังมัจจานะชีวิตตังชีวิตของสาทั้งหลายเป็นอยู่ยากเนี่ย เป็นอยู่ยากมากยากตั้งแต่การประกอบอาชีพเป็นต้นเนี้ยนะแล้วก็ยากที่จะดำรงอยู่ในโลกอย่างยืดยาวว่า้นกิจฉังสัตธรรมมศวนังการฟังพระสัตธรรมก็เป็นของยากว่างง้นยากที่จะได้ฟังแล้วก็สุดท้าก็กิจโฉพุทุธ ป, ปาโทการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากเพราะในช่วงเช้านี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ได้โดยยากก่อนอเมื่อเรารู้ว่า เราได้แต่ละอย่างมาได้โดยยากนะต่อไปเราก็จะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นเป็นสมบัติติดตัวไปจริงๆในชั้นต้นบอกว่าทุลพันธ์จะมนุสสตังเนี่ยนะความเป็นมนุษย์นี้หาได้ยากว่าไงผลจากยกข้อความในสังยุตตานิ迦เน่ยนะนะสัจจะสังยุตมาแสดงให้เห็นก่อนว่ากล่าวถึงว่าในอนัญญตรละสูตร นะข้อหนึ่้อยห้ากล่าววา่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยเอาไว้ในปลายพระนข า, าเล็บพระเนี่ยไม่ยาวอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ช้อนก็ช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วตราเรียบพิสูจทั้งหลายแล้วมาตรัสถามว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนะไหนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นมาไว้ในปลายเล็บ กับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันเนี่ยฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่กันนี่นะพิสูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนัขาคือที่ปลายเล็บเนี่ยมีประมาณน้อยมเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนัขาคือเล็บ ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะต้องผากกี่พันล้านชิ้นน่ะจึงจะมาเหลือเท่าฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยเพราะฉะนั้นฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะไปเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับแผ่นดินใหญ่ <c oughs> พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยมีน้อยเนีย่ยนะ โดยที่แท้สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์เนี่ยมีมากกว่ามนุษย์จุติมาเป็นมนุษย์คืนเนี่ยน้อยมากว่างนันถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าไม่ได้เห็นอริยสัตว์พั้นแท้เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นอริยสัตว์นี่แหละจึงกลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาเนี่ยน้อยมากเพราะในอังคุตรนิกายทุกการนิบาศพระองค์ก็ตรัสในแนวเดียวกันว่า ดูกรพี่สูตทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกัมเนิดสัตว์เดราชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้เนี่ยนะสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพพยดาคือเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกัมเนิดสัตว์เดรชานเกิดในปิติวิสัย มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดในเทพพยดาหมายถึงว่าเทวดาตายจากเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาอีกนี่นะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกัมเนิดสาธิรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากเทพพยาดาไปเกิดในนรกเกิดในกัมเนิด ส, สัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกจำเนื่ว่าจากนรกสรรกนนู่นรกกันะเกิดในกัมเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพพยดา มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรชานกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตย์เดรชาญไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรชาญเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเทพพยดาเนี่ยนะเช่นมดปลวกเป็นต้นเนี่ยนะไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยบางอั้นเมื่อไหร่จะมีทีกันรู้เนาะสัตว์ที่จุติจากกาเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในปิติวิสยัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิด ใ, ในนรกเกิดในกัมเนิดาสตร์เดรชาเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้นะสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยคือเปรตเนี่ยนะไปเกิดในเทพพยายดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิด ใ, ในกัมเนศศาสตร์เดรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรม มีป่าเป็นที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสะบกกรณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นลำน้ำเป็นที่ตั้งแห่งตอและน้ำมีภูเขาระเกระกะเป็นส่วนมากกว่าโดยแท้ในบนผิวโลกทั้งหมดเนี่ยนะถามว่าที่ดีๆกับที่ไม่ดีอันไหนมากกว่าฟังกันเถอไอ้ที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยนะกับไม่น่าเพลิดเพลินอันไหนมากกว่าชั้นใดก็ดีมนุษย์ ตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยมากแต่เดรัจฉานนะไปอบายนี่ง่ายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็น้อยแต่ไปอบายนี่ง่ายเนี่ยนะทีนี้เทวดาล่ะเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์น้อยไปอบายนี่มากกว่าเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นเทวดามีส่วนน้อยไปเกิดในอบายนี้มากกว่า ทนี้ถ้าพูดสัตว์ในอบายบ้างอะไล่ไปทั้งแต่นรกเลยนะท่านนรกมาสู่สุคติเนี่ยน้อยมากแต่ท่านในนรกละวนอยู่ในอบายด้วยกันมากเนี่ยนะจากเปรตเหมือนกันเนี่ยนะเปรตมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยแต่เปรตเนี่ยหมุนอยู่ในอบายคืนเนี่ยมากกว่าอสุรกายก็เหมือนกันหรือเดรัจฉานเนี่ยนะเดรัจฉานตายจากเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยน้อยแต่ก็หมุนอยู่ในอบายนี้ มากกว่าว่าไงถามว่าทําไมจึงยากอย่างนั้นเพราะเราก็มาดูว่าเหตุเพื่อให้ความเป็นมนุษย์เกิดเนี่ยนะไม่ง่ายใช่ไหมเพราะว่าไอ้ความเป็นมนุษย์ก็ต้องมีมีเหตหุอีกสูตรหนึ่งนะที่กล่าวถึงว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ได้แสนยากนะข้อความอันนี้เหมือนกับในมหาเออขออภัยภาระบบันทิตสูตรนะข้อความคล้ายกับภาระบบันทิตสูตรใน มัชฌิมนิกาเนี่ยนะในสูตรนี้ชื่อว่าปฐมชิคคะสูตรเนี่ยนะในข้อ1743สังยุตตนิกายมหาวราวัชจะสังยุตกล่าวว่าดูกานพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวเนี่ยนะลงไปในมหาสมุทรเอาห่วงอันหนึ่งเนี่ยนะให้ไปลอยในมหาสมุทรเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาสมุตนั้น ต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเต่าตาบอดตัวนั้นเนี่ยนะต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งแปลว่าร้อยปีโผล่ทีเดียวร้อยปีโผล่ทีเดียวหวังอ่ะตาบอดด้วยแล้วก็ไอ้บ่วงที่มันลอยไปเนี่ยนะซึ่งลมเนี่ยพัดไปพัดมาอยู่ตลอดไม่ได้อยู่นิ่งนะ จะสอดคอเนี่ยนะให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเนี่ยนะได้บ้างหรือหนอเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดจะโผล่มาถูกตํานวนว่าเป็นไปได้ไหมเราซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ถูกว่า ง, งั้นเถอะเป็นไปได้ไหมมันได้ใช่ไหมแต่มันยากเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมาองแต่ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเอขออภยัยพิสูจนทั้งหลายก็กราบทุนว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจเริญ ถ้าล่วงการนานไปเนี่ยนะบางครั้งบางคราวเต่าจะสอดคอให้เข้าไปในแอกนั้นได้บ้างนะท่านานๆาจริงๆพอจะเป็นไปได้บ้างเหมือนกับซออเซอร์ลอตเตอรี่เนี่ยนะ mm hmm. สมมติว่าเดือนละสองใบว่างั้นเถอะงวดละใบงวดละใบเนี่ยนะสักร้อยปีเนี่ยนะหรือว่าซักซื้ออย่างนี้สักพันปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไหมที่เราจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะอาจจะมีนะแต่ว่ามันตรอไปเหอะน้อยเต็มที่ว่างั้น พง์ก็ตัดต่อไปว่าดูความพิสูจทั้งหลายเต่าตาบอดตอร่วงร้อยปีร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโ น, น้นยังจะเร็วกว่าเนีย่ยนะอันนั้เป็นไปได้แล้วอย่างงั้นเร็วด้วยนะจะว่าไปเราย่อมกล่าวความเป็นมนุษย์เพราะา เ, เพราะคนผ่านผู้ไปสู่วินิบาตแล้วคราวเดียวก็หาไม่ได้ นะสมมติถ้าไปสู่อบายสีแล้วนะที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากว่างั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าในมินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรมนะไม่มีการประพฤติชอบในการกระทำกุศลในการกระทำบุญไม่มีเลยนะว่าเออสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะจัดการให้ทานหรือในเดรัจฉานทั้งหลายรักษากุศลกรรมบท10เป็นต้นเนี่ยนะแทบไม่มีเลย แต่ว่าในสัตว์เหล่านั้นจะมีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกันใช่ไหมอย่างถ้าอยู่ในป่าเนี่ยนะมดตัวเล็กๆเนี่ยนะก็จะมดตัวเล็กๆก็ไปกินพวกเศษอาหารอย่างอื่นๆและมดตัวเหล่านั้นก็จะมีสัตว์ตัวใหญ่กว่านั้นมากินมันอีกไอสัตว์ที่ใหญ่กว่ามดก็มากินมดเนี่ยนะพวกเช่นพวกกิ้งกาก็มากินมดพวกนกกระปูดก็มากินกิ้งก่าเนี่ยนะสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นก็จะมากินพวกนกประเภทเนี่ยมันจะมีแต่การกินซึ่งกันและกัน ปลาเล็กกินนะไม่ใช่ปลาเล็กก็กินพวกลูกยุงทั้งหลายเนี่ยนะแต่ถ้าปลาพวกใหญ่ๆก็จะกินปลาเล็กๆตามลําดับชั้นขึ้นไปเนี่ยนะปลาช่อนก็จะกินปลาช่อนด้วยกันนะเล็กๆเนี่ยนะฉั้นปลานี่ก็จะกินปลาด้วยกันด้วยกันด้วยกันพวกสัตว์ทั้งหลายอื่นๆก็เหมือนกันก็จะกินซึ่งกันและกันและกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจะมีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกัน ผู้ที่มีกําลังน้อยกว่านี่นะย่อมเป็นไปในวินิบนัตินี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้อริยสัจ ท, ทั้ง4ประการเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งนะถ้าหาว่าคนที่ไม่เคยเห็นทะเลนะคนที่เห็นทะเลบอกโอ้ทะเลมันกว้างาใหญ่ไพศาลพระองค์ก็ตรัสในทุติยชิกขลสูตรว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปฏาพีนี้มีน้ําเป็นอันเดียวกัน น, นะสมมุตินะอุปมาว่าแผ่นดินทั้งหมดที่ยืนอยู่นะเป็นน้ําหมดเลย บุรุษนิยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปัตพีนั้นลมทิศบุรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิมลมตะวันออกพัดเอาแอกันนั้นไปในทิศตะวันตกลมทิศประจิมพัดไปในทางทิศบุรพาทิศตะวันตกก็พัดสู่ทิศตะวันออกลมทิศอุดรพัดไปทางทิศทักษิณลมทางทิศทักษิณพัดไปทางทิศอุดรนี่นะลมเหนือพัดไปใต้ลมใต้พัดไปเหนือไอบ่วงอันเดียวนั่นแหละ แสดงว่าบ่วงไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันขยับตลอดเวลาเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปฏิพีนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงเต่าตาบอดนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเนี่ยนะได้บ้างหรือหนอนะร้อยปีโผล่ทีหนึ่งเนี่ยนะ พิสูทั้งหลายก็กราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่เต่าตาบอดต่อ่วงร้อยปีต่อร่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเนี่ยนะเป็นของยากพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฉันนั้นเหมือนการพิสูน์ทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกเป็นของยาก ธรรมวินัยที่พระตถ า, าคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็หาได้ยากหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยนะที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยยากสองพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดในโลกก็ยากเสร็จแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์บรรลุแล้วก็มาสอนใช่ไหมรุ่งเรืองก็ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนารุ่งเรืองยากมากว่นงั้นฟังไปรตรงนี้ไปเออใช่นนะรุ่งเรืองที่ไหนยากในใจเราเนี่ยนะ รุ่งเรืองยากมากเลยนะวันๆหนึ่งคิดถึงให้เป็นไปกับคําสอนนี่ยากมากเหมือนกันข้อหนาดใจเรายังยากเลยใช่ไหมแล้วไปหาที่อื่นๆจะไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกและธรรมวินัยที่พระตะถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในโลกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายเพิ่งกระทําความเพียนเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเนี่ยนะให้ภาคเพียนนะเพื่อที่จะบรรลุเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจข้อความในอัตถกถาอุปมาไว้ว่าพระมหาศีวะนะท่านอุปมาไว้ว่าได้แสดงยุคทั้ง4คือการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเชื่อว่ายากอย่างยิ่ง เหมือนการที่เต่าตาบอดนั้นสอดคอเข้าไปในช่องแอกที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักระวาลด้านที่ตะวันออกโยนสายเข้าไปโผล่มาแล้วเขาโยนบ่วงเข้ามาสวมคอพอดีเลยนะนี่เท่ากับเป็นมนุษย์ก็การเกิดขึ้นแห่งพระบัณาโคตเจ้าชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงฝัง่งก็ยากอย่างยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักระวาลด้านที่ใต้โยนสายเข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆอยู่ ถึงแอกอันแรกนั้นแล้วขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องสอดคอเข้าไปในช่องนั้นอยู่เนี่ยนะผมหมายว่าให้แอกเนี่ยมันลอยลอยแล้วมาสวมทับตรงนั้นอีกที่เดอร์มิกนะแต่ว่ายือนอยู่โคโลเนตใช่ไหมเนี่ยนะตอนแรกเรียกว่ายืนที่ตะวันออกแล้วก็โยนบ่วงเข้าไปสวมคอพอดีแล้วก็ไปยือนอยู่ในฝั่งจักรวาลที่ใต้นะโยนมาสวมคอพอดีอีกเป๊ะเนี่ยนะนั้นะเกิดเป็นมนุษย์ยากเหมือนกับบุรุษอยู่ที่ตะวันออกใช่ไหม พพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เหมือนกับบุรุษที่ยืนอยู่ที่ใต้แล้วก็ขว้างแอกมาก็การแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วชื่อว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่ายังยากมานั่นไปอีกนะเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านที่ตะวันตกโยนสายเข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆแล้วถึงแอกสองอันข้างบนแล้วขึ้นสู่ช่องข้างบนโดยทางช่อง แล้วสอดคอเข้าไปในทางช่องอยู่เนี่ยนะคือหมายว่าโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะยากแบบนั้นอย่างอย่างเราเทียบนะคนยุคทุกวันเนี่ยนะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับจํานวนสัตว์ในอบายแล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยมีน้อยมากวันก่อนคุยกับคุณหมอบอกว่าพญาตตัวหนึ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หมดนะหมอแล้วว่าน่าจะเป็นคนทั้งอําเภอเลยบางทีมากกว่านั้นมั้งนะเป็นอําเภอเลยนะสมมติว่าพญาญ ต, ตัวเดียวเนี่ยนะ ในช่องๆเขาว่างถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่าคนในอำเภอรหรือในอำเภอเมืองเชียงใหม่อย่างเงี้ยในพญาตตัวเดียวนะไม่ต้องพูดว่าหลายๆและพญาต์ไม่ได้มีตัวเดียวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หมดแต่พันมนุษย์เนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์ในอบายทั้งหมดเนี่ยนะนับว่ายากมากเสร็จแล้วมนุษย์ที่เกิดมาในเรียกว่าพุทธบาตการเนี่ยนะการที่มีศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับว่ายากอยู่แล้วเนี่ยนะตามประวัติศาสตร์ของโลกตามพระพุทธศาสนานั้น นานๆจริงจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นทีหนึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาเป็นมนุษย์ด้วยแล้วในช่วงที่มีพุทธศาสนาด้วยอันนี้ก็ยากอย่างที่สองพระพุทธศาสนามีเขาเป็นมนุษย์ก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมากไหมอย่างตอนนี้นะประเทศที่นับถือกับประเทศที่ไม่นับถือเนี่ยนะประเทศที่นับถือาศาสนาเนี่ยน้อยเต็มทีเนี่ยนะถ้าเทียบกับไม่นับถือแล้วประเทศที่นับถือได้ฟังกับไม่ได้ฟังล่ะ อันนะั้นอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะที่นับถือพุทธศาสนาคนไทย6กกว่าล้านเนี่ยนะฟังธรรมมีกี่คนเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็ยากลงไปอีกทีนี้ในบรรดาคนที่ฟังธรรมเหล่านี้นะที่บรรลุอริยสัจล่ะหกกรองไปมานี่จะแย่เลยเลือนน้อยเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายว่าก็การแทงตลอดศัสตรจะสี่พึงทราบว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่ายากยิ่ง เหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปักจักรวาลด้านทิศเหนือโยนสายเข้าไปแล้วหมุนไปโดยรอบๆอยู่ถึงแอกสามอันข้างบนแล้วขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องแล้วสอดคอเข้าไปทางช่องอยู่นี่นะอันนี้ก็นับว่าความเป็นความยากตั้งล้าอย่างที่เราได้กันแล้วทีนี้ข้อความที่ถามว่าไอความเป็นมนุษย์เนี่ยหาได้ยากถามว่าทาไมจึงหาได้ยาก เพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยนะในอัตถกถาธรรมบทในเรื่องเอรกักปตัตะนาคราชอธิบายไว้ว่าเพราะความเป็นมนุษย์บุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมากด้วยกุศลเป็นอย่างมากเนี่ยนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะทานกุศลต้องเป็นทานกุศลที่มีกำลังจริงๆจึงจะให้ผลเกิดเป็นมนุษย์ได้ศีลกุศลต้องเป็นศีลกุศลที่มีกาลังมาก เนี่ยนะภาวนากุศลก็ต้องเป็นภาวนาอย่างดีพอสมควรจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากแล้วก็ลองมาเทียบเทียบดูนะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเหตุแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมีมากไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงยากอย่างที่สองบอกว่ากิจชังมัชฌานชีวิตตังเนี่ยนะชีวิตของสาวทั้งหลายเป็นอยู่ยากเพราะว่า เมื่อกี้อธิบายว่าเพราะทํากรรมมีกสิกรรมเป็นต้นเนืองๆเลยนะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยของแต่ละอาชีพแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยนะกว่าจะเป็นอยู่ได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นเนี่ยไม่ง่ายเลยว่างั้นเห็นไหมนับว่ายากมากแมก้กระทั่งอาชีพที่สบายๆแต่ก่อนที่จะมานั่งสบายแบบนั้นเนี่ยเรียนอย่างอย่างมหาศาลเลยนะต้องศึกษามาอย่างมากค้นคว้ามาอย่างมากจึงจะได้แบบใช้ชีวิตค่อนข้างสบายหน่อย แต่ในความสบายเหล่านั้นถามว่าชีวิตดํารงอยู่ได้นานไหมเนี่ยนะมีความสุขสักแป๊บหนึ่งก็หมดเวลาแล้วว่างั้นเหรนะระครังหมดแล้ว่วาใกล้จะจุติเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าไอ้กิจชังมัตตงมจจานะชีวิตตังไอ้มัจจานะเนี่ยนะไม่ใช่มัจฉาถ้ามัจฉาแปลว่าปลามัจจานะชีวิตตังว่างั้นมันเป็นอยู่ยากจริงๆเพราะชีวิตเนี่ยที่ดํารงอยู่ด้วยเช่นมหาพูดชีวิตเนื่องด้วยมหาพูดใช่ไหมถ้ามหาพูดตัวใดตัวหนึ่งเกิด เกเรขึ้นมาล่ะเลี้ยงธาตุดินผิดธาตุไฟเลี้ยงธาตุไฟผิดธาตุลมเลี้ยงธาตุลมผิดผิดธาตุน้ําเนี่ยนะมันก็เดี๋ยวก็เล่นงานวิบัติแล้วและชีวิตเนื่องด้วยอาหารทีนี้ถ้าอาหารบางอย่างวิบัติไปเดี๋ยวก็แยกอีกล้ชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะถ้าหากว่าลมมีปัญหาก็ไม่ได้แล้วชีวิตเนื่องด้วยจิตแล้วไอ้จิตเนี่ยไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับประการใช่ไหมผวังขจิตนี่เป็นจิตชาติ วิบากแล้วกรรมในอดีตเนี่ยมีอะไรไปรับรองว่าเออเนี่ยนะฉันจะให้แกเป็นพวังขจิตยอยู่ร้อยปีนะไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรเลยนะฉันจึงไม่มีความแน่นอนอะไรเลยฉนะันชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะดำรงอยู่อย่างยากก็ถามว่าคนที่ตายแล้วกับคนที่อยู่ไหนมากกว่านี่นะโอ้ตายไปแล้วนี่มากกว่าคนที่อยู่เนี่ยหลายสิบเท่านักเหมาอนนแล้วต่อไปบอกว่า พระศัทรรมเนี่ยหาได้ยากยิ่งเห็นไหมการเที่ที่พระศัทธรรมเนี่ยนะเช่นพระปริยติศัทธรรมปฏิบัติศัทธธรรมปฏิเวศศัทธรรมเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ได้ยากจรงิงๆเพราะอะไรเพราะขณะหาได้ยากว่างั้นขณะนี้หาได้ยากมากถึงมีขณะมีแล้แต่ก็ศรัทธาก็หาได้ยาก อ, กอกีกเอามาพูดถึงว่าขณะที่หาได้ยากๆเนี่ยนะข้อความในอคณสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกานิบาต ในข้อ119นะอัสิกานรณิบาตอักขณะสูตรพง์ตรัสว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลายปูตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าโลกได้ขณะจึงทากิจโลกได้ขณะจึงทากิจเนี่ยนะหมายเขาว่าเวลาพร้อมก่อนว่า ง, งั้นเถอะถึงเวลาก่อนแล้วค่อยทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าขณะหรือไม่ใช่ขณะเนี่ยนะเขาก็พูดไปตามเรื่องตามราวไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้รู้จริงหรอกว่า ง, งั้น ดูก่อนพิสูุทั้งหลายกาละมิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แปประการนี้8ประการเป็นไงเนี่ยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้นะอท่าตถาคโตโลเกอุปปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์นี้เป็นพระอรหันต์ซึ่งอรหันต์จะได้ศึกษากันต่อไปสัมมาสัมพุทโธนะตรัสรู้ได้ชอบได้ด้วย องค์เองวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเสร็จไปดีแล้วเนี่ยนะโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกปุริสธรรมมสารทิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษยานังเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธพุทโธนี่แปลเยอะนะครับแต่ตรงนี้แปลว่าเป็นผู้เบิกบานแล้ว แล้วก็พักาวาร์พัวาก็มีความหมายเยอะแต่ตรงนี้แปลว่าเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคนั้นย่อมทรงแสดงพระพุทธเจ้านี้ทรงแสดงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะไรพระพุทธเจ้า <wob> น <base parliamentary> ี้แสดงธรรมะใช่ไหมธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่คือธรรมะอะไรเราเคยสรุปสรุปไหมว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่คืออะไรธรรมโมจะเทสิโตเนี่ยนะ ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงคําืนะธรรอาธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมิโกปรินิพานิโกสัมโพตคามีสุขตัปเวทิโตเนี่ยนะธรรมะธรรมโมปเวทิตโตเนี่ยธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงคือส si ัจธรรมสี่เนี่ยนะสัจธรรมสถ้าพูดแบบรวมๆแล้ว น, นพะพระไตรปิฎกก็นับเนื่องในศิกขาสเนี่ยนะอธิ ศ, ศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาและ อธิปัญญาสิกขาเนี่ยวินัยปิฎกเป็นอธิศีลสิกขาสุตันตปิฎกเป็นอธิจิตตสิกขาอภิธรรมปิฎกเป็นอธิปัญญาสิกขาอ่สิกขาสเพื่ออะไรทำศึกษาสมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานขัน5เพื่อละสมุทัยเพื่อทำนิโรธให้แจ้งเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงประกาศคือสัจจะทรสี่ คัมภีที่ที่เน้นว่าพิจารณาธรรมะอะไรเนี่ยนะต้องประชุมลงอริยสัจนะคือคำพีร์เนติปกรณ์ที่พระมหากจรยนะเรียบเรียงเนี่ยนะท่านจะขับเน้นให้ว่าต้องสงเคราะห์ธรรมะเหล่านั้ น, น, นลงอริยสัจนะปฏิสัมพิธารรมะก็ลักษณะเดียวกันหรือแม้แต่ในอัตถกถาที่เราอ่านเนี่ยนะเช่นบางทีจะบอกว่าสูตรนี้เป็นโลกิยะเป็นโลกุตระสูตรนี้ทั้งโลกิยะและโลกุตระสูตรนี้เป็นวัตตะสูตรนี้เป็น วิวัตต์ก็จะเพื่อจะให้เห็นชัดว่าสูตรนี้เป็นสัจจอะไรนั่นเองเนี่ยนะท่านจะพยายามชี้ให้เราเห็นว่านี้เป็นทุกขสัตตนี้สมุทัยสัตตนี้เป็นนิโรธสัตตนี้เป็นมรคสัตต์ในส่วนที่เป็นมรคสัตต์ยังไม่แย ก, กว่านี้ศีลนะนี้สมถะนะนี้วิปัสสนานี้มรคนี้ผลก็ยังไม่แยกให้เห็นชัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะอันพระองค์ทรงสแสดงก็คือสัจธรรมทั้ง4ี่อุปสัมมิโกนี่นะ แค่ว่าเป็นธรรมที่นำความสงบมาให้สงบอะไรสมะก็คือสงบกิเลสเนี่ยนะเป็นไปเพื่อปรินิพานก็คือเพื่อดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงสัมโพทคามีเนี่ยนะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้พร้อมอที่ตรัสรู้พร้อมเป็นชื่อของอะไรตรัสรู้นะถ้าจะตรัสรู้นี่ตรัสรู้ด้วยอริยมรรนะสัมโพทคามีเนี่ยนะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ก็คือเพื่อ อริยมรรคอันพระสุคตประกาศแล้วหมายคือว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็ได้รับการแสดงแล้วแต่บุคคลนี้เข้าถึงนรกซะดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์แต่อยู่ในนรกหมดสิทธิ์เลยนะพระพุทธก็มีแล้วพระธรรมก็มีแล้วไอตัวเราจะไปเป็นสงฆ์กับเขาบ้างก็ไม่ใช่เวลาเพราะอยู่ในนรกอยู่ ข้อต่อไปข้อ2ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดแลในโลกพระธรรมคาสอนก็มีแล้วในโลกแต่ว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมนะเป็นมดเป็นปลวกเป็นหมูเป็นกาเป็นไก่เป็นสุนัขเป็นอย่างอื่นที่ไหนอีกก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็หมดสิทธิ์เลยเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ใช่ขณะในการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันไม่ใช่ขณะที่จะเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาสามีจิตปฏิปันโนอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมเพราะมัวแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ ข้อที่สบอกว่าพระพุทธเจ้าก็มีในโลกพระธรรมคําสอนอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกแต่บุคคลนั้นเกิดเป็นเปรตซะเนี่ยนะอยู่ในปิติวิสัยเนี่ยนะหิวอดอยากหิวโหยพร้อมโซอยู่นั่นแหละก็หมดสิทธิ์อีกข้อที่สี่บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดอีกแล้วพระธรรมก็มีแต่บุคคลนี้เข้าถึงเทพนิกายผู้มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งเสียเช่นเกิดในอสัญญาสัตตาพรมเนี่ยนะเป็นพรมที่ไม่มี จิตเลยแล้วดํารงชีวิตอยู่ตลอดอายุเท่าไรอายุ500มหากรัปเนี่ยนะมีอายุอยู่500อยมหากัปพระพุทธเจ้านี่กลับหนึ่งไม่ได้ดํารงอยู่ตลอดกรับที่ไหนพระพุทธเจ้ามีอายุเท่าไรอย่างพระองค์เราก็มีอายุประมาณพระพุทธเจ้ายมีอายุเท่าไรพระพุทธเจ้ามีอายุเท่าไหร่ท่านนับตั้งแต่วันบรรลุ ถ, ถึงวันปรินิพพานนี่มีอายุเท่าไรสี่สิปีเนี่ยนะ วันนับตั้งแต่วันตรัสรู้ถึงวันปริณิพานนี่สิบห้าปีเท่านั้นเองนะแต่ว่าคําสอนก็จะดํารงอยู่ก็ไม่เกินห้าพันปีแต่นี้ก็สองพันห้ารอปีก็น่านับว่าแผ่วเต็มทีแล้วนะถ้าน้ํามันไหลมาไกลๆเนี่ยมันแผ่วเต็มทีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปเกิดในช่วงปลายๆกว่านี้น่าจะแย่ <c oughs> นะแย่กว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปเกิดเป็นอสัญญาสัตว์เป็นต้นหรือไปเกิดเป็นอรูปประพรมเนี่ยนะก็หมดสิทธิ์เลยนะ เช่นไปเกิดในพรมชั้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะจะไปได้ยินได้ฟังอะไรนะอายุแปดหมืนสี่พันกับอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะว่ามีจิตก็ไม่ใช่ไม่มีจิตก็ไม่ใช่รับรู้เรื่องทั่วไปไม่ได้สักงางเลยนะแต่ก็มีความสุขแบบเขานอะไม่ใช่ว่าเขาทุกข์นะเขามีความสุขจริงๆอ่ะนะแต่ก็สุขแบบอแบบสุขชั้นสูงอ่ะนะแต่ว่าไม่ใช่สมัยที่จะออกจากวัตตะข้อที่ห้าบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดในโลก พระธรรมก็มีพระองค์ก็แสดงแล้วนะแต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทนะคือเป็นพวกประเทศชายแดนทั้งหลายแหล่นี่นะแล้วก็อยู่ในตระกูลพวกมีลักขะพวกมีลักขาก็คือสา น, นวนว่าพวกคนดำทั้งหลายแหลเนีนะ่พวกไม่รู้ดีรู้ชอบเป็นประเภทคนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยตั้งกติกาอะไรแปลกๆขึ้นมานะเช่นกติกาของพวกมิลักขาเขาตั้งยังไงเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่อายุ ทำงานไม่ไหวนะให้ขึ้นต้นไม้ขึ้นไปแล้วก็เขยา่าเขย่าต้นไม้ที่พอเขย่าได้นะถ้าตกลงมาก็ฆ่าได้เลยนี่นะเป็นกติกาของเขาอ่ะนะถ้าถ้าถ้ายังเกาะแน่นอยู่ก็แสดงเอาไปเลี้ยงต่อได้เหมือนนเขาก็จะมีกติกาแปลกๆอย่างเงี้ยแหละพวกมีรักขาเนี่ยนะเป็นเกรเหียงเป็นมูเซอร์เป็นชาวเขาชาวดอยเป็นเอธิโอเปียเป็นประเภทถ้าอินเดียก็เหมือนกับไปเป็นวันนจันทานตอนนี้นะ เป็นวั น, นชั้นต่ำเนี่ยเขาบอคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอย่างนั้นนะแล้วก็ที่ที่พวกเหล่านี้อยู่ก็ไม่มีพุทธบริษัทไปเลยพิกษุก็ไม่ไปภิกษุนีก็ไม่ไปอุบาสกอุบาสิกาไม่มีใครผ่านไปทางนั้นเลยอะ่ะพอที่จะไปแนะนําเข้าได้อันนี้ก็ไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยนะแค่เมืองไทยนี่ไปเกิดบางจังหวัดนี่ก็ไม่มีใครไปโปรดแล้วอย่างนั้นไปอยู่ในบางหนบางแหง่งก็ไม่มีใครไปเกี่ยวข้องแล้วอย่างั้นอันก็ยาก ทีนี้ข้อหบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกเองนะพระธรรมคำสอนก็มีแต่ว่าบุคคล น, นี้กลับมาเกิดในมัชชิมชนบทแต่เขาเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมก็มีแต่เป็นคนที่เป็นอุดเฉททิฐิเข้าบอกว่ามีความเห็นที่วิปริตทานไม่มีผลโอ้ยการให้ทานเนี่ยนะคนโง่เขาบัญญัติคนฉลาดเป็นคนรับเขาวางนัน ในนั้การให้ทานมันเข้าเป็นอุเฉตทิฏฐิเขาไม่เชื่อว่าเจตนาที่ให้ทานนั้นมันมีมีผลปฏิเสธเลยแล้วก็บอกว่าการบูชาไม่มีผลเนี่ยนะเช่นการบูชาตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลกันถึงไตรสรณะคมการบําเพ็ญสมถวิปัสนาไม่มีผลสักอย่างเลยเรียกว่าบูชาไม่มีผลแล้วก็การบวงสรวงไม่มีผลคําว่าบวงสรวงในที่นี้หมายถึงว่าการต้อนรับการเชื้อเชิญผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยนะ ไม่มีผลปฏิเสธการต้อนรับการเชื่อเชิญทั้งหลายแล้วก็บอกว่าผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีนะใครจะทําดีขนาดไหนก็ไม่มีผลทําชั่วขนาดไหนก็ไม่มีผลนะนะแล้วไอ้ที่วิบากที่ได้รับอยู่นี่ก็ไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าอะไรเช่นจิตเห็นเกิดจากอะไรนะเอาเอาพูดแบบธรรมดาเลยนะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมมานะเราจะบอกว่าจิตเห็นเนี่ยที่เห็นการเห็นเกิดขึ้นได้เกิดจากอะไร ก็จะสายไหนเรียนมายัางไงก็จะอธิบายแบบนั้นไปแต่จะบอกว่าจิตเห็นเนี่ยนะเป็นผลของเจตนาในอดีตนะเป็นนานักขัตขณิกกรรมมะปัจจัยมีสีเป็นอารมณ์มีอ่าจากูภาษาถ้าเป็นวัตถุมีมรณสิการเป็นปัจจัยเนี่ยนะมีสัมปยุตธรรมเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยให้มีภาษาเวทนาเป็นต้นอ่ะมีไหมล่ะไม่มีหรอกเพราะก็จะถือว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าเ ป, เป็นอะไรไปแล้วแต่จะจะคิดเอาอะนะแล้วแต่ตามทฤษฎีของวิชาการนั้นเข้าสอนมาเพราะฉะนั้น พวกนี้ก็จะปฏิเสธว่าจิตเห็นไม่ใช่ผลของกรรมแล้วเมื่อหลังจากเห็นแล้วก็ทํากรรมใหม่เนี่ยก็บอกมันไม่มีผลอะไรหรอกสมมติว่าพอเห็นอกุศลวิบากเป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะเจตนาที่เป็นไปกับโลภะโทสะไม่มีผลทางหน้าต่อไปอีกหรอกก็ปฏิเสธชีวิตขณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากผลของกรรมแล้วปฏิเสธกรรมที่ทําอันใหม่ที่จะมีผลต่อไปในอนาคตพวกนี้ตะกูลอุเฉทิฏฐิ นะแล้วก็ปฏิเสธว่าเออสัตว์ที่ตายจากโลกนี้ปฏิสนธิในโลกหน้าไม่มีหรอกสัตว์ที่ตายจากโลกนู้นนะมาสู่โลกนี้ก็ไม่มีเช่นขณะปฏิสนธิเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่อธิบายไปนะอสุจิกับไขผ่ผสมกันก็เกิดเป็นตัวเล็กตัวเด็กตัวอะไรก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาไม่มีสัตว์มีปฏิสนธิอะไรสักอย่างหรอกนะก็จะปฏิเสธแม้กระทั่งผู้ที่มาจากพบอื่นมาปฏิสนธิในพบนี้ก็ปฏิเสธ แล้วจุติจิตก็ว่าเออตายซะได้ก็ดีชีวิตเข้าถึงความสุขแล้วว่างั้นเหรนะพ้นทุกพ้นโศกสัทีหนึ่งถ้าใครตายเหรนะใช่ไหมคนไข่คนอะไรเนี่ยนะเวลาตายกันแล้วเออเขาพ้นทุกไปแล้วเขาสบายไปแล้วหมยัยงก็รู้ว่าเขานิพผานงันนะสบายแล้วกั้นใช่ถ้าเขานิพผานสบายแน่แต่ถ้าไปเกิดใหม่ล่ะเกิดที่ไหนอีกละคะนี้สบายได้ยังไง่ยเรารู้ได้ยังไงว่าเขาไปสบายแล้วยังบางคนเนี่ยเกิดมาทําบาปทํากรรมทั้งปีเลย เวลาเขาตายแล้วบอกเขาไปดีแล้วว่าไ น, นก็หลอกๆ ก, กันไปทีนี้ต่อไปก็บอกว่าพ่อแม่ไม่มีคําว่าพ่อแม่ไม่มีหมายคำว่าทําดีทําชั่วกับพ่อแม่ไม่มีผลถ้าหากว่าผู้ที่กระตันยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ไม่มีผลพวกนี้ปฏิเสธบุญคุณของพ่อแม่ถ้าเราไปทําถ้าหากว่าใครที่ไปทําชั่วกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีผลพวกนี้ปฏิเสธทั้งหมดเลย แล้วก็ปฏิเสธพวกผีสางเทวดาทั้งหมดอีกกันนะเทวดาไม่มีหรอกเนี่ยนะรุกขเทวดาตรงไหนอย่างเงี้ยนะเห็นใครเขาบอกว่าบางคนเนี่ยแทบจะรับจ้างหรือสารพระภูมิเลยมั้พวกนี้ปฏิเสธหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสารพระภูมิที่ไหนรื้อเนี่ยนะบอกได้รับรื้อฟรีเหมือนกันอ่าพวกนี้เดี๋ยวก็ไปนานจนะเจอดีอ ก, กันนะเพราะว่าโอปป้าติกะมีหรือไม่มีถ้ายิ่งยิ่งสมัยพุทธกาลด้วยนะวัดเชตวันเนี่ยต้นไม้ทุกต้นมีเทวดาอยู่หมดเลยไม่มีว่างสักต้นเดียว ไม่มีว่างเลยต้นไม้ทุกต้นในวัดเชตาวันน่ะนะอู้ใครก็อยากไ ป, ไปเป็นรุกขเทวดาอยู่แถวนั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าเทศก็จะได้ยินได้ฟังตลอดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ปฏิเสธหมดผีสางนางไม้เทวดาอะไรปฏิเสธไม่เชื่อสักอย่างนะครับปฏิเสธแม้กระทั่งนรกเนี่ยไม่มีรอกเสร็จแล้วบอกว่าข้อสุดท้ายบอกสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกระทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสั่งสอนประชุมชนให้รู้ตาม ไม่มีในโลกพูดถึงนี่ยอมคนหนึ่ง น, นะพ่อเขาเป็นทายกวัดเขาก็มีสัตหานะเสร็จแล้วลูกชายเขาเขาเรียนทางโลกสูงพอสมควรอะ่ะก็บอกพ่อมันไม่มีรักบุญบาปอะ่ะเขาไปบอกพ่อเขาเขาก็ของมาก็ไปเขาก็คุยด้วยบอกหลวงพี่ครับว่ามันไม่มีรกักพระพุทธเจ้าเขาเขียนขึ้นมาเฉยเฉยเขาบองั้นให้คนให้กราบให้ไหว้ก็จะได้คนก็จะได้ ทำดีกันบ้างอะไรกันบ้างที่จริงเขาเขียนมาหลอกๆมันไม่มีหรอกเขาว่าแต่เขาปกติแล้วเขาเนี่ยโหอ น, นะยาเสพติดในตัวก็เพียบเหมือนกันนะพัญญาก็มีตั้งหลายคนอ่ะนะถ้าบุญบาปมีจริงแกคงแย่อะงั้นแกก็เลยปฏิเสธว่ามันไม่มีละเนี่ยนะก็จะได้ทำบาปได้สะดวกใจหน่อยนะแต่ถ้าหากว่าสะสมหรือซ่องเสพแบบนี้นานๆอนาคตที่เป็นอุเฉททิฏฐาวรก็มีสูงมิฉาทิฏฐิมีคติเป็นยางไร คติของมิจฉาทิฐินะสมุติว่ามิจฉาทิฏฐิไปเกิดในใกล้จุติจิตเนี่ยนะใกล้จะจุติแล้วมิจฉาทิฏฐิเป็นวิถีสุดท้ายเนี่ยนะคติหน้าเป็นยังไงคตินะพุทธพจน์ตรัสตรงๆว่ามีคติสองคือนรกกับเดราชานอัตกถาสามพรหมชาลาสูตรบอกว่าเปติวิสัยด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็นรกกับเดราชาณนั่นเอง แล้วพุทธพจน์ที่บอกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะคติสองคือนรกกระเด็นราชาเนี่ยมีมากแห่งด้วยนะไม่ใช่พู้ที่เดียวมีมากแห่งเนี่ยมีหลายแห่งในสังยุตตนิกายก็มีหลายแห่งในมัชชิมนิกายก็มีนะพระพุทธเจ้าเกิดในโลกพระธรรมคำสอนก็มีในโลกแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นไปได้ไหมที่เขาจะศึกษาพระธรรมไม่ได้แล้วเนาะอย่างอย่างค้ายๆที่มีญาติเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไม่หันหน้าเข้าวัดฟังธรรมเลยอ่ะลักษณะนั้นแหละ นี่ต่อไปข้อที่7บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกพระธรรมคําสอนก็มีในโลกแต่บุคคล น, นี้กลับมาเกิดในมัชชิมัชนบทแต่เขามีปัญญาสามบ้าใบาไม่สามารถรู้อัฏฐแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตครับเกิดในสมัยพุทธกาลเหมือนกันแต่พ่อแม่แต่เป็นลูกปัญญาอ่อนเนี่ยนะปัญญาอ่อนจะไปทําอะไรได้ก็มีโยมอยู่คนหนึ่งนะแกเป็นคนที่มีศรัทธามากเข้าวัดฟังธรรม ลูกคนหนึ่งก็เพี้ยนลูกคนหนึ่งเนี่ยบ้าไม่สนใจวัดวารามแล้วก็บ้านจะไปสนใจได้ยังไงใช่ไหมจะศึกษาพระธรรมจะเป็นไปได้ยังไงลูกอีกคนหนึ่งเป็นอุเฉ ท, ท, ทิธิติแต่แม่นี่มีศรัทธานะแม่นี่ฟังธทำศึกษาพระธรรมรักษาศีลอะไรดีแต่ว่าลูกคนหนึ่งเป็นบ้าลูกอีกคนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ลูกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะพูดแบบโลกโลกว่าคนฉลาดมากแต่ว่าพูด ท, งทางธรรมก็ปฏิเสธบุญบาปปฏิเสธอะไรสัก ทั้งหมดเลยแต่อีกคนหนึ่งก็ปัญญาอ่อนนี่นะันปัญญาอ่อนนี่โอ้โหใครไปสอนธรรมะให้เขาเข้าใจาได้เนี่ยโอ้โหยอมรับฝีมือเลยนะรักแต่งจริงๆทีนี้ข้อสุท้ข้อที่8ดนะขณะไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเขาเนี่ยฉลาดแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศให้เขาฟัง หมายความว่าไม่อยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอ่ะนะเช่นเข้าวัดเหมือนกันแต่เข้าวัดตอนที่เ็าเลิกเทศหมดแล้วอ่ะเข้าวัดตอนที่ไม่ได้เขาแสดงธรรมตอนอะไรเลยนะมันก็หมดสิทธิ์อีกเพราะฉะนั้นสมัยหรือขณะไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรย์มีแอย่างข้อ1 น, นะทบตัวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดในนรกสองเดรฉ า, านสาเกิดเป็นเปรต4 4เกิดเป็นอสัญญสัตว์เป็นต้นเลยนะห้า เกิดเป็นพวกมีลักขานะนะเกิดเป็นชาวเผา่าใดเผ่าหนึ่งนะที่ไม่รู้ภาษาเลยแล้วก็หเป็นมิจฉาทิฏฐิเจเป็นคนบ้าใบา้สุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมเพราะพุทธเจ้าไม่ได้เทศตลอดเวลาที่ไหนใช่ไหมก็เทศเป็นพักๆอะ่ะดูกรพ่สู่นทั้งหลายส่วนขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีประการเดียวประการเดียวเป็นฉไหนะ ดยการพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผ้าหันตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยนะพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร ย, ยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมและธรรมะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงแล้ว เป็นธรรมะที่นำความสงบกิเลสมาให้เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อปรินิพานดับรอบซึ่งกิเลสทั้งหมดเป็นไปเพื่อการตรัสรู้คือเพื่ออริยมรรคพระสุคตก็ทรงประกาศแล้วและบุคคลนี้ก็เกิดในมัชชิมะชนบททั้งมีปัญญาไม่บ้าไบา่สามารถเพื่อจะรู้อัฏฐะแห่งสุภาเิสและทุภาเิสได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ มีอย่างเดียวอย่างนี้เท่านั้นฟังกันอะไอ้ไม่ใช่ขนานี้8ดใช่ไหมแต่ขณะมีขณะเดียวเพราะองค์ประชุมต้องได้แบบนี้นะจึงจะมีการประพฤติพรหมจรรย์ไตรสิกขาได้และผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนเหล่าใดเกิดในมนุษย์โลกแล้วเมื่อพระตถ า, าคตทรงประกาศสัทธธรรมคือประกาศอริยสัจเนี่ยนะไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะ คือไปไปอยู่ในตตำแหน่งอย่างที่ว่าไปเนี่ยก็ชื่อว่าล่วงขณะไปแล้วชนเป็นอันมากกล่าวเวลาที่เสียไปว่ากระทำอันตรายแก่ตนคืออะไรถ้ามันล่วงเลยเวลานี่เสียหายใช่ไหมอะไรถ้าถ้ามันผิดเวลาก็นับว่าเสียหายล่วงเลยเช่นตื่นสายเกินไปเนี่ยนะนัด8โมงโมงนี่ยนะไปตื่นส11สโมงเนี่ยเขาเลิกประชุมไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเพรา ะ, ะนั้นก็ล่วงเลยเวลาหมดแล้ว พระตถ า, าคตเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกในการบางครั้งบางคราวไม่ได้ตลอดการการที่พระตถ า, าคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งการได้กาเนิดเป็นมนุษย์หนึ่งการแสดงพระสัตธรรมหนึ่งที่จะพร้อมกันเข้าได้หาได้ยากในโลกสามอย่างนี้พร้อมนหายากชนผู้ใคร่ประโยชน์ตน จึงควรพยายามในกาละดังกล่าวมานั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้องค์ประชุมเนี่ยนะแล้วต้องพยายามนะไม่ใช่ตามเวนตามกรรมเนี่ยนะไอ้แต่ถ้าใช้คําว่าตามเวนตามกรรมเนี่ยนะถ้าสำนวนชาวบ้านเนี่ยก็เข้าใจว่าแล้วแต่เวนแล้วแต่กรรมปล่อยเลยไปตามเลยไปแต่ถ้าสำนวนชาววัดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะตามกรรมเนี่ยเออเป็นไปตามกรรมเถอะถ้าชาววัดเขาพูดเขารู้กรรมถูกใช่ไหมกรรมคืออะไร กรรมคือเจตนากรรมบางอย่างเป็นไงกรรมบางอย่างให้โดยการให้ผลนะกรรมบางอย่างไปให้ผลนะเช่นกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นกรรมบางอย่างถ้าไม่ได้ปัจจัยก็ไม่ให้ผลเลยเป็นอโหสิกรรมกรรมบางอย่างนาเกิดนะเป็นชนะกรรมกรรมบางอย่างนี่นะไปอุปธมไว้นะกรรมบางอย่างไปเบียดเบียนกรรมบางอย่างไปตารอน กรรมบางอย่างแบบนี้เรียกว่ากรรมหนักนะกรรมแบบนี้เรียกว่ากรรมหนาพระหุรกรรมเนี่ยกรรมหนาบางอ่างเนี่ยมันมากอะ่ะกรรมแบบนี้เรียกว่าอสรรกรรมนะกรรมแบบนี้เรียกว่าอัปราปริยะเวทเข้ไปเป็นกระตัวะะต้ววาปนกรรมนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นไปตามกร um รมเธอะอันนี้เขาเข้าใจถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเข้าใจแบบไม่ดีก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรร um มก็เออตามเรื่องตามราวนั่นแหละแปลว่าไม่ต้องไปสนใจมันหรอกว่าโยนให้กรรมเพื่อที่จะได้ตัดตัดประเด็นไงเหมือนคําพูดอย่างหนึ่งเขาบอกว่า แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเขาบ่างัน้นเป็นคำพูดลึกซึ้งมาก น, นะแต่แว่เราก็ต้องถามว่าเออเหตุมันมี6นะปัจจัย24เอาเหตุไหนดีเนี่ยนะแล้วก็ปัจจัยยีเอาปัจจัยไหนดีว่างัน้นแล้วก็มีคําพูดอันใหม่ขึ้นมาอีกก็บอกลึกซึ้งเขาบงั้นมีคําพูดมาอันใหม่อีกบอกโอ้ลึกซึ้งจริงๆเราก็ต้องถามว่าลึกซึ้งมี4อย่างนะนะหนึน 1, ลึกซึ้งโดยอัด2ลึกซึ้งโดยทำสาม 3, ลึกซึ้งโดยปฏิเวท4ี่ลึกซึ้งโดยเทศนานี่นะ ลึกซึ้งโดยอัดถักคือเนื้อหาเรื่องนี้ลึกมากเนี่ยนะลึกแบบไหนเพราะมีธรรมะที่ลึกซึ้งแล้วก็การตรัสรู้สิ่งนี้ก็ลึกซึ้งเนี่ยนะแล้ววิธีแสดงสิ่งเหล่านี้ก็ลึกซึ้งเพราะมีหลากหลายมากเนี่ยเรียกว่าลึกซึ้งก็บอกว่าเออลึกซึ้งจริงๆเลยเขถามว่าลึกซึ้งสิข้อไหนในสีข้อนี้ว่างั้นมันก็เออศึกษาธรรมะไปก็นึกๆไปก็มีกลุ่มอะไรที่มีคําอะไรแปลกๆออกมานะเสร็จแล้วก็พูดคําเหล่านั้นก็เลิกคิดต่อนะไม่ใช่พูดอย่างเช่น เอ อ, อทุกอย่างสังขารทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงนี่แหละพูดเออจบนะนะไม่เที่ยงเสร็จก็เลิกพูดต่อไปที่จริงไอ้เขารู้ว่าไม่เที่ยงเป็นไงต่อไปอ่ะสมมติว่าพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเขาทํายังไงต่อไปมเมื่อเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงนะเขาก็จะภาคเพียรเจริญสติสัมปชัญญะวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้มากขึ้นเพื่อให้พ้นจากสังขารเหล่านั้นอ่ะผู้ที่เจริญวิปัสนาที่เห็นขันท่า โดยความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตานะเขายิ่งภาคเพียรเพื่อให้พ้นทุกข์มากขึ้นแต่แต่คนที่ศึกษาไม่ดีบอกไม่เที่ยงเสร็จก็พอแล้วไม่ต้องไปสนใจมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละว่างั้นเสร็จแล้วก็ไปทําเรื่องอื่นต่อไปกินเหล้าเมายาต่อไปเรื่อยจนเขามีการ์ตูน ล, ล้อเรียนที่บอกว่าน ะ, ะพวกพวกทิศทิศทั้งหลายที่ศึกไปนะเมาไปด้วยแล้วบอกสัพเพฒมานัตาแต่ก็เมาไปด้วยแล้วก็พูดคํานี้ออกมาโอ้เสียหายมากักว่นงั้น มันอนัตตาทั้งนั้นแหละแต่ว่าพูดในขณะที่กําลังมึนเมาอย่างเต็มที่ะนะเพรา ะ, ะนั้นการเจริญสมณธรรมหรือการบําเพ็ญกุศลธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าพยายามนะความเพียรความพยายามแล้วก็ถามว่าเพียรพยายามนี้แค่ไหนบางแห่งก็บอกว่าเนื้อเลือดจะเหือดแห้งก็ช่างมันเถอะว่างั้นน่ะต้องพยายามขนาดนั้นแหละไม่ใช่ว่าแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเกิดก็เกิดไปอะไรไม่เกิดก็ช่างมันว่างั้นแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย ก็แสดงว่าผู้ที่กล่าวเช่นนั้นเนี่ยนะบางอย่างก็มุ่งจะตัดประเด็นบางเรื่องออกไปเพราะฉะนั้นควรทําความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยนะนะสิ่งที่เกิดจากเหตุแต่จากปัจจัยนี่เรียกว่าสังขารธรรมใช่ไหมสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเรียกว่าอะไรเรียกสังขารธรรมหรือสังคตธรรมสังขารธรรมสังคตธรรมเนี่ยนะแบ่งออกเป็นกุศลก็มีนะถ้าพูดตามมาติกานะเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีเป็น อพยากตะก็มีกุศลก็ต้องเจริญสิ่งที่เกิดจากปัจจัยนะถ้าเป็นกุศลต้องเจริญนะสิ่งที่เกิดจากปัจจัยถ้าเป็นอกุศลต้องต้องละสิ่งที่เกิดแปลกปัจจัยถ้าเป็นกิริยาก็ต้องกําหนดรู้เป็นวิบากก็ต้องกําหนดรู้เนี่ยนะอย่างเชื้อโรคก็เกิดจากปัจจัยใช่ไหมอันนี้ต้องทําไงต้องละเนี่ยนะต้องทําลายซะยาทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยแต่ก็ต้องทําให้มีขึ้นเพื่อเพื่อเพื่อรักษาอย่างนั้นแหละ พระพ อ, องค์จึงตรัสว่าชนผู้ใคร่ประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งนะคือการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะควรพยายามในกาละหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเกิดในโลกสองเราเป็นมนุษย์สามมีฟังธรรมมีการฟังธรรมมีการทรงจําพระธรรมเนี่ยนะแล้วพระ อ, องค์ย้ําว่าขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดอยู่ในนรก ย่อมเศร้าโศกในอัตกถามหาสุญญตาสูตรเนี่ยนะอธิบายบอกว่าในอเวจีนรกเนี่ยนะเขาบอกว่ายัดเยียดเหมือนกับทนานดีบุกวงังันนะ่ะนะมันแน่นขนาดขนาดนั้นอนะ่ ะ, ะนะวันอเวจีเนี่ยไม่มีว่างสักแห่งเดียวเลยนะที่สัตว์ไม่มีนะ่ยมันน้ำแน่นมากว่างนันมันก็ไปเศร้าโศกอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องอเวจีหรอกแค่จอมปลวกจอมปลวกเดียวเนี่ยนะก็สัตว์ไม่รู้เท่าไร่แล้วห้องน้ําที่เดียวเนี่ยนะใครนะ่ามาเล่าให้ฟังมันก่อน มีอยู่สถานที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าใครช้อนลงไปเนี่ยลูกน้ําเต็มหมดเลยเขาว่ากันในในในน้ำครั่งเนี่ยนะน้ำเป็นน้ําคลองไงไหมถ้าหากว่าเอาไอ้ที่กระช้อนช้อนลูกน้ำนะช้อนมาปุ๊บเนี่ยนะเต็มขันทันทีเลยเขาว่ากันมันลูกน้ํามันมากขนาดนั้นมันในอาบายเนี่ยมากจริงๆแล้วก็ไปเศร้าโศกอยู่ที่นั่นกันถ้าคนที่ปล่อยให้ขณะเหล่านั้นผ่านไปหากเขาจะไม่สําเร็จอริยมรักถ้าหากว่าเพียรพยายามเลยนะ หากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรคอันเป็นธรรมะตรงต่อสัตยธรรมในโลกนี้ได้เขาจะเป็นผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้วจากเดือดร้อนสิ้นกาลนานถ้าใครที่ปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆก็จะเสียดายในภายหลังถามว่าเหมือนอะไรเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่เช่นนั้นนะคนที่ค้าขายแล้วก็ทาผิดเวลาใช่ไหผิดเวลาหน่อยก็มานั่งเสียใจในภายหลังไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยพ่ากัน คนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้หากพลากจากศัตร ร, รมจากสเสวยแต่สงสารคือชาติและมรณะสิ้นกาลนานคนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อนะอวิชชาคือความไม่รู้อะไรอ่านะอวิชชาคือความไม่รู้8ประการนะถ้าถ้าพูดอวิชชาเมื่อไหร่นะให้นึกถึงไม่รู้8ประการเลยนะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือไม่รู้อริยสัจส่กลุ่มที่2อไม่รู้ขันทาริยตนะที่เป็น อดีตนะไม่รู้ขันท่าอายตนะที่เป็นอนาคตไม่รู้ขันท่าอายตนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเป็น3ข้อแล้วใช่ไหมหนึ่ไม่รู้อดีต2ไม่รู้อนาคต3ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคต 4. ส, สุดท้ายไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะไม่รู้ปัจจัยทั้งหลายนั่นเองไม่รู้ความที่ทําทั้งหลายนี้เกิดจากปัจจัย ความไม่รู้นะั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาเนี่ยนะไม่รู้แปบประการผู้ที่ไม่รู้ในธรรมะแปอย่างนี่นะจกักเสวยแต่สังสาระคือขันธ์ธาตุอายตนะอย่างไรก็จะจมอยู่ในขันธ์ธาตุอายตนะขันธ์อายตนะเหล่านี้เรียกว่าการเกิดขึ้นครั้งแรกของขันธ์เรียกว่าชาติเรียกว่าชาติอันนะั้นเมื่อชาติเกิดขึ้นแล้วอะไรติดตามพยาธิติดตาม มรณะห้ามหันในในที่สุดก็ตายอีกตายทิ้งขันอันนี้ถือเอาขันอันใหม่เช่นทิ้งตาอันนี้ก็ไปหาเอาตาอันใหม่ใช่ไหมก็เพราะว่าตอนที่มีตานี่มันทําตาอันใหม่เอาไว้แล้วใช่ไหมพอเห็นรูปที่ดีๆก็แสดงว่าต้องการตาอันใหม่เนี่ยมีหูเอาไว้หูฟังเสียงยินยินดีในเสียงก็เพื่อที่จะเอาหูอันใหม่อีกยินดีในเก่นในรส ยินดีในโพธิภพยินดีในเรื่องราวที่นึกคิดเท่ากับยินดีอายตนะอันใหม่เพราะอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดนั่นแหละเรียกว่าโลกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะโลกนี้เกิดขึ้นแล้วนะลแล้วลโลกเขาก็เชยชิดอยู่ในอายตนะภายนอกเนี่ยนะก็เลยจมอยู่อางเงี้ยตลอดไปส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระธถาคตประกาศพระศาธรรมได้กระทํำแล้ว จักกระทําหรือกระทําอยู่เนี่ยนะคนที่กระทําการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทํามาแล้วหรือที่กําลังทําอยู่หรือจักทาต่อไปข้างหน้านะตามพระดํารัสของพระาศาสดาชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ประสบขณะคือการประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกเนี่ยนะตรงนี้ที่เน้นบอกว่าคนที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เมื่อพระตถาคตประกาศพระสัทธรรมแล้วกระทำนะท่านใช้คําว่ากระทำํำ กระทำแล้วจากกระทำหรือกระทำอยู่ตามพระดำรัสของพระศาสดาแปลว่าทำตามคำสอนนั่นเองเนี่ยนะคนเหล่านี้แหละเชื่อว่าได้ประสบกับขณะแล้วชนเหล่าใดดำเนินไปตามมาัคามักคานี่แปลว่าหนทางคนที่เดินตามหนทางที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วสำรวมในศีลสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุ เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วคุ้มครองอินทรีย์มีสติทุกเมื่อเนี่ยนะอันนี้ประกาศอะไรเนี่ยนะหนึ่งพระองค์นี้ประกาศสัศจธรรมใช่ไหมคือประกาศอริยสัจเสร็จแล้วบุคคล น, นั้นเจริญศีลสังวรอินทรีย์สังวรมี ส, มสติในการละทุกเมื่อเท่ากับอบรมศิกขาสามหรือเรียกว่าอริยมรรคเนี่ยนะอันนี้ก็ประกาศมัคสัต ไม่ชุ่มด้วยกิเลสตัดอนุสัยทั้งปวงอันเล่นไปตามกระแสแห่งมานชนเหล่านั้นแหลบรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคืนนิพพานแล้วในโลกนี้ประกาศอริยสัจหมดล้วก็ที่แรกเน้นประกาศทุกขสัจก่อนมาใช่ไหมสังสารวัตรที่ดาเนินมาอย่างนี้เนี่ยนะตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายทั้งหลายแหลเป็นต้นหลังจากนั้นพระองค์ก็พูดถึงอะไรพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วประกาศธรรม ชนเหล่านั้นก็มาประพฤติปฏิบัติตามไตรสิกขาแล้วก็ละสมุทัยรมนิโรธให้แจ้งแล้วก็ถึงความสินสะะส้นอาสวะสิ้นอาสวะเป็นชื่อของอรหัตผลเนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่นิพพานแล้วในโลกนะเป็นผู้ที่ละชาติชราและมรณะต่อไปอันขณะแบบนี้หาได้ยากว่างั้นเนะขณะที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยหายากสองได้ฟังธรรมสาม หนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ขอไปหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์สองผู้เธเจ้าเกิดขึ้นแล้วสาการฟังธรรมเนี่ยนะผู้ที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปก็น่าน่าเสียดา ย, ยนะนั่นพระองค์จึงบอกขณะนี้หาได้ยากยิ่งนักพระสัทธรรมก็หาได้ยากยิ่งนักเนี่ยนะโดยเฉพาะาพระปริยติศัทธธรรมนี่ก็หายากถ้าเทียบตามทั่วๆไปเลยนะยุคนี้เป็นยุคที่คมภีเนี่ยมีพิมพ์ขายถ้ายุคก่อนๆ น, นี้ไม่มีเลยไม่ไม่มีพิมพ์แบบนี้นะ ถ้ายิ่งใครที่ที่เกิดมาในรุ่นก่อนๆพระไตรปิฎกนี่เขาจะเก็บไว้ในหอไตรเป็นอย่างดีนะล็อกใส่กุญแจเป็นอย่างดีเอาไวา้ให้กราบอั้นที่จะมานั่งอ่านเนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะพระปริยัติศาสตร์ธรรมนี่หายากคือแคอ่แผนที่เนี่ยนะยังไม่เคยได้อ่านเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเดินทางที่ถูกต้องว่า ง, งั้นเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยนะคำสอนในพระไตรปิฎกก็มีเผยแพร่อย่างกว้างขวางเนี่ยนะขอให้อ่านเถอะว่างั้นเดี๋ยวห้องสมุดก็เขาให้ยืมว่างั้น ก็มีต่างมากมายนะเอาออเอาใจทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นพระสัตธรรมเนี่ยภาพรปริยัติเนี่ยหายากว่า ง, งั้นถ้าปริยัติยากปฏิบัติก็ยากไปด้วยปฏิเวกก็ไม่ต้องพูดถึ ง, งนะและแต่สิ่งสาคัญเนี่ยนะมนุษย์ก็ได้แล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็เกิดแล้วขณะก็มีแล้วพระสัตธรรมก็มีแล้วแต่ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธานี่หายากโดยเฉพาะศรัทธานี่แบ่งออกเป็น2 อ, อย่างใช่ไหมคือศรัทธาที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระ ศรัทธาที่เป็นโลกิยะแบ่งออกเป็น2 อ, อย่างคือตถาคตโพธิศรัทธากับกรร ม, มสกตาศรัทธาอันนี้หายากนะคนที่จะมีศรัทธาแบบนี้หายากเพราะว่าถ้ามีกรร ม, มสการศรัทธาทําให้บุคคลนั้นภาคเพียรที่จะให้ทานภาคเพียรที่จะสมท า, านกุศลศีลรักษาอุโบสถกรรมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าคนที่มีตถาคตโพธิศรัทธาก็จะฝักใฝ่ในการฟังธรรมแต่ถ้าคนที่มีกรร ม, มสกตารเฉยๆนะเขาก็จะให้ทานเป็นต้นได้ แต่คนที่มีตถาคตโพธิ์ที่ศรัทธาด้วยนี่นะพวกนี้จะภาพเพียรในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าหากว่าได้กรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เนี่ยนะถ้าหากว่าเขาบริบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้กุศลธรรมอย่างอื่นก็จะพ่อพูนมากขึ้นถ้าเขามีตถาคตโพธิศรัทธามากเท่าไหร่แต่จะลืมว่าศรัทธาในที่นี้นะพูดเอาเป็นประธานนะปัญญาก็เกิด ร, ร่วมด้วยนะ นะถ้ามีศรัท ธ, ธาและมีปัญญาเท่ากับคบพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้รับการฟังธรรมอย่างอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะขอมาอยากจะเน้นตามลักษณะของอวิชชาสูตรกับตันหาสูตรมั่งในฝ่ายดีเนี่ยนะถ้าหากว่าคบพระัตนตรายที่บริบูรณ์เรียกว่าคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์แล้ว <c oughs> ก็จะได้ฟังพระสัตธรรมอย่างบริบูรณ์ถ้าฟังสัตธรรมอย่างบริบูรณ์ก็จะมีศรัท ธ, ธาอย่างบริบูรณ์ถ้ามีศรัทธาบริบูรณ์ก็จะ โยนิโสจะน้อมคิดตามอ่ะถ้ามีโยนิโสบริบูรณ์สติสัมปชัญญะก็บริบูรณ์ถ้าสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อินทรีย์สังวรก็บริบูรณ์ถ้าอินทรีย์สังวรบริบูรณ์สุจริสาก็บริบูรณ์ถ้าสุจริสาบริบูรณ์นะนะสติปัฏฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะไม่ยากเลยนะสติปัฏฐานเนี่ยถ้าต้นต้นมาบริบูรณ์นะถ้าสติปัฏฐานบริบูรณ์พ่อชงเจ็ก็บริบูรณ์ถ้าพ่อชงเจ็บริบูรณ์วิชาและวีมุติก็บริบูรณ์เพราะฉะนั้น อนุปาธาปรินิพานจะไม่ยากนักแนะๆแต่ให้ให้เป็นลําดับไปแต่ในชั้นต้นให้คหํานึงว่า เ, ออเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยยากนะสองพระพุทธเจ้าเกิดในโลกนี่ยากนะพระสรัทธรรมเนี่ยนะเป็นของยากถ้าคํานึงถึงสามสิ่งนี้มากๆเข้าที่เหลือจากบริบูรณ์เองเนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่าถ้าพูดถึงพระภิกษุก็บอกว่าโอ้โหการบวชนี่ยากนะฝันรักษาผ้าให้ดีก็แล้วกันต่อไปทุรพังสัพทธรรมมัศวนงัง การฟังพระสัทธรรม ก, ก็ยากว่างั้นที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดขึ้นมาในโลกเนียเป็นของยากในส่วนตรงนั้นเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปนี่จะยกข้อความในเอกานิบาตอีกครั้งหนึ่งที่พูดถึงไอ้ของยากๆอีกอย่างหนึ่งคือวิธีขยายอีกในหนึ่งอะนะของยากทั้งหลายในวรรคที่4ีเนี่ยนะข้อ205 ด, nice ดูกราฟพิสู่ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดบนบกเนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในน้ํานี่นะมีมากกว่าโดยแท้ว่างั้นนะสัตว์น้ํากับสัตว์บกไหนมากกว่ากันอย่างงี้นะบอกสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บกว่างั้นสัตว์ที่กลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่กลับมาเกิดในกำเนิดเอ่อในกําเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่าโดยแท้เนี่ยนะไปเกิดอย่างอื่นโดยเฉพาะอับาย สัตว์ที่เกิดในมัชชิมชนบทเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในปัจจันตะชนบทในพวกชาวมีราคะที่โง่เขลามากกว่าโดยแท้ถามว่าคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากเหมือนกันนะเพรา ะ, ะนั้นคนฉลาดเนี่ยน้อยเหมือนกันสัตว์ที่มีปัญญาไม่โง่เง่าไม่เงอะงะสามารถที่จะรู้อัตถะแห่งคําเป็นสุภาษิตและคําเป็นทุพภาษิตได้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่โง่เขลา งเง่าเงอะงะไม่สามารถที่จะรู้อัตตะแห่งคําเป็นสุภาษิตและคําเป็นทุภาษิตได้มากกว่าโดยแท้เอานี้นะเราแยกได้ไหมว่าคําพูดไหนเป็นวจีสุจริตคําไหนเป็นวจีทุจิริตแยกได้นะจะรู้ว่าไม่เงอะงะก็ตรงนี้แหละเออแล้ววันๆหนึ่งนะเราฟังคําสุภาษิตหรือทุภาษิตนิ่มมากแล้วก็ดูนะ ก็จะเห็นว่าโอ้โหที่ที่เข้าใจแม้บางทีเนี่ยเราก็พอใจใช่ไหมรู้ว่าคํานี่สอเสียดด้วยซ้านะคํานี้เพ้อเจอดเนี่ยก็รู้นะเอ๊แต่ว่าเอ๊เราก็ไม่ได้รู้จริงว่ามันเป็นคําทุพพาษิตอะไรนะก็ฟังไปบางทีก็ชอบด้วยซ้ําไปเช่นอ่าที่เขาดูตลกกันอนะนะเป็นคําเสียดสีเป็นคําเพ้อเจอดเดรชานคาถาทั้งนั้นแหละเห็นไหมไ ม, ไม่จริงมีอยู่น่อยเดียวนะทั้งหมดนี่นนะและจริงก็ไม่ได้จริงเพื่อประโยชน์ความสุขอะไรสักอย่างก็พูดไปอย่างนั้นแหละ แต่เขาชอบฟังอ่ะแสดงว่าเอ๊ะที่รู้คําแห่งสุภาษิตทูภาษิตจริงๆก็ไม่มากนักหรอกเนี่ยนะเขบอกบางคนเนี่ยถ้าหมุนทีวีแล้วไปเจอเป็นรูปพ้าเนี่ยเข้าเนี่ยโอ้โหรีบหมุนมันเลยนะกดมิถ้าจะกดกระโดดช่องเลยนะรีบผ่านไปเลยเพางั้นไม่ได้ฟังก่อนว่าท่านพูดอะไรเนี่ยนะไม่ได้แยกรลบเพรางั้นแต่เจอแล้วแทบจะถ้ารีโมดเนี่ยแทบจะกระโดดช่องเลย่ะถ้าเป็นทีวีขายก็แต่หมุนปื๊ดะให้มันไกลหน่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่ มีสติมีปัญญาแยกแยะว่าอะไรเป็นสุภาษิตทุภาษิตเนี่ยยากนะแยกดีแย ก, แยกชั่วแยกคําไหนเป็นคําที่ควรฟังคําไหนเป็นคําที่ไม่ควรฟังเนี่ยก็ยากว่างั้นมีไม่มากสัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจักสุอย่างประเสริฐมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาหลงไหลเนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้โดยที่จะมีปัญญาจักษุมองเห็นอริยสัจเนี่ยน้อยมา ก, ก น, นะนี ที่ตกอยู่ในวิชาไม่รู้อริยศาสตร์เป็นต้นเนี่ยมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้เห็นพระตถาคตมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระตถาคตมากกว่าโดยแท้เพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะสมัยนั้นที่เห็นพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นไม่มากนะเพราะพระองค์มีอยู่ชีวิตอยู่ระยะเวลา45่สิบาพันปีเท่านั้นเองนะความเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่เท่านั้นเองนะก่อนหน้านั้นเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เลย ตอนเป็นพระพุทธเจ้า 45,000 สามมนุษย์ใน 445,000 สาที่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มากนะักเมื่อเทียบกับคนทั้งโลกอ่ะนะที่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มากแล้วสมัยก่อนหน้านั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าสมัยเ่าหลังจากนั้นก็ไม่เห็นไม่เห็นพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะมีน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เห็นเนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถ า, าคตประกาศไว้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถ า, าคตประกาศไว้นี่นะมีมากกว่าโดยแท้ถ้าพูดแบบใหม่ก็หนังสืออื่นจากพระไตรปิฎกเนี่ยนะเราอ่านหนังสือไหนมากกว่าเนี่ยนะเอางี้นะไทยรัฐมติชนเดลินิวทั้งหลายกับพระไตรปิฎกอันไหนเราอ่านมากกว่าเนนะบอกไม่ไม่อ่านพวกนี้หรอกอ่านนิตยสารอย่างอื่นแทนหังส คือหมายว่าอ่านหนังสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่อ่านคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราอ่านอะไรมากกว่านั้นสมมติถ้าเข้าไปในในร้านหนังสือนะแผนกที่คนไม่ค่อยไปชมเท่าไหร่ก็คือแผนกหนังสือธรรมะแค่แแผนกนะไม่ต้องพูดว่าเนื้อหาในในที่ตรงนั้นหรอกบองหนังสือที่เก็บเก่าเลยนะเก่าปกหมดเลยข้างในเนี่ยกระดาษยังติดกันก็คือพวกพระไตรปิฎกนี่แหละพันคนที่อ่านนี่น้อยมากเหมือนกันพอมีโยมคนนึ่งเขบอกเข้าไปในห้องสมุดเอาพระไตรปิฎกมาอ่านเนี่ยคนนี่แหลกเลยดูหนังสืออะไร ก็แทบจะเรื่องแตกประหลาดนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาเนี่ยนับว่าน้อยมากกว่านั้นนะในบรรดาคนที่ได้ฟังกับไม่ได้ฟังได้อ่านไม่ได้อ่านเนี่ยนะคนที่ได้ฟังได้อ่านเนี่ยน้อยมากสัตว์ที่ได้ฟังทำแล้วทรงจําทําไว้ได้เนี่ยมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ฟังและทําแล้วไม่ได้ทรงจําไว้หรือว่าทรงจําไว้ไม่ได้เนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้อ่านพระไตรปิฎกแล้วจําได้กับจําไม่ได้เนี่ยนะคนจําได้มีหน่อยเดียวยนะที่เหลือ ก็อ่านเหมือนกันฟังเหมือนกันแต่ก็จําอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมลุกขึ้นก็หายหมดเลยเรียกวิญญาหน้าตักันนะทีนี้ในบรรดาคนที่จําได้แหะอา้าวจาได้ด้วยกันนะสัตว์ที่ไตรตรองอัตถะแห่งธรรมะที่ตนทรงจําไว้ได้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ไตรตรองอัตถะแห่งธรรมะที่ทรงจําไว้ได้มีมากกว่าโดยแท้หลายท่านนั่งที่นี่เนี่ยนะจะเรียนเรื่องจิตมาแล้วน่าจะจํากันได้ใช่ไหม ดวงที่หนึ่งเป็นไงโสมนัสสาสหากตังทิฏฐิขาตาสาัมปยุตังอาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจเนี่ยนะไม่มีการชักชวนประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยนะโดยทั่วๆไปหลายคนเนี่ยจำได้แต่เอาเรื่องนี้มาคิดเนี่ยบ่อยไหมเอามาไต่ตรองดูเอ๊ะเป็นยังไงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเอามานั่งตรึกเนี่ยนะในสิ่งที่จําได้อยู่แล้วนะพุทธพจน์ส่วนที่เราจําได้แล้วเนี่ยยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะ อรหังเนี่ยใครจําไม่ได้ขคำแปลก็รั้วไกลจากกิเลสเนี่ยนะสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแล้วคิดต่อไปว่าท่านตรัสรู้ยังไงท่านอะไรยังไงเนี่ยนะที่คิดต่อไปกับไม่คิดต่อไปเนี่ยนะคนที่คิดตามเนี่ยมีน้อยเนี่ยนะที่ไปตรายตรองมีน้อยที่ไม่ตรายตรองไม่เอาไปตรึกไม่เอาไปใคร่ครัวเน่ยมีมากกว่าเอาทีนี้คนที่ตรายตรองนะเหมือนกันเนี่ยนะฟังแล้วมาตรายตรองนะคัดคนประเภทตรายตรองอีก สัตว์ที่รู้ทั่วถึงอรตู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่รู้ทั่วถึงอัตทะไม่รู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรร ม, มีมากกว่า เอางี้น่รู้เลนะโออารยศัพ์นี่นะทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมักควรเจริญมังเนี่ยเจริญตั้งแต่ศีลเป็นต้นเนี่ยนะรู้ว่าอินทรีย์สังวรยังสุจริสามให้บริบูรณ์สุจริสามยังสติปัฏฐานให้บริบูรณ์สติปัฏฐานย่อมยังพโธชงให้บริบูรณ์พโธชงย่อมยังวิชาวิมุติให้บริบูรณ์คนที่ปฏิบัติตามว่าเนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยที่ไม่ปฏิบัตินี้มีมากกว่าเนี่ยนะว่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเราบอกว่า สัตว์ที่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดเนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจเนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้สลดก็คือสังเวชนะนะสังเวชวัตถุเ น, นี่ยนะคนที่เห็นแล้วสังเวชเนี่ยมีน้อยสังเวชวัตถุมีเท่าไหร่วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจเป็นที่ตั้งแห่งสังเวชนะมีเท่าไหร่มี8ดนะหนึ่งอบายทั้ง4ี่เลยนะนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน อันนี้เรียกว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งสังเวช 2. ชาตินะเห็นเด็กอ่อนๆ 3. น่นะชราสพยาธิ 5. มรณะทุกในวัตตะในอดีตวัตมูลทุกในอดีตเนี่ยนะทุกที่มีในทั้งหมดในอนาคตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุก์ที่เกิดจากการสแสวงหาอาหารง น, นี้นะเห็นเดราัชา น, นี่ใครคิดยังไงบ้าง ได้ยินเสียงเดรัชานเนี่ยสังเวชใจบ้างไหมสลดใจบ้างไหมยอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าอบายก่อนนะนะแบบเห็ น, เ, นเห็นสุนักเห็นหมูหมากาไกา่เห็นช้างมาวัวควายเป็นต้นเนี่ยสลดใจไหมบอกโอ้โหนี่นะนี่ผลของกรรมนะนี่เป็นผลของทุจริตนะสลดสังเวชใจเลยนะมีไม่มากนักหรอกดีซะอีกโอ้ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะที่กัโอ้ไก่ตัวนี้ชนชนะดีไหมเนี่ย ยิ่งวันอาทิตย์ด้วยโหไก่ชนนี่บอลเพียบเลยนะต่ชอบไปดูมันด้วยซ้ําไปชอบดูปลากัดดูอะไรกันไปเรื่อยไปดูปลามันไหวดูสัตว์โน่นแทนที่จะไปสลดสังเวชใจใช่ไหมเปล่าหรอกไปเพลิดเพลินชื่นชมบางคนเนี่ยดูนกเนี่ยดูไม่เบื่อเลยเนะีเขาบอกดูได้ทั้งวันไปส่องเนี่ยนั่งไม่ขยับตัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อที่จะได้ดูสีของนกขนนกเท่านั้นนะ่ยขยับตัวไม่ได้มันก็บินหนีนะนั่งส่องนี่นั่นแหละยินดีเพลิดเพลินไปเสียอเนี่ยนะ บางคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าถ้าเกิดเป็นนกจะบินไปไหนตามชอบใจว่าไปนั้นก็ยินดีในอบายก่อนนะบางทีไปเห็นพึ่งเออเจ้าดีนะเจ้ายังบินไปไหนก็ได้ชั้นเนี่ยพ่อแม่ห้ามหมดเลยแบบนั้นนะอยากเป็นพึ่งไปอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ฝักฝ่ายที่จะเป็นอบายด้วยซ้ําไปถ้าจุติระวังนั้นน่ยแย่แน่ไปอบายสมใจอยากแบบนั้นเนี่ยนะอบายนี่ตั้งความปรารถนาไม่มากนะตั้งความปรารถนานี้น่หน่อยหนยก็ไปแล้วแต่สุขตินี่เสบียงทางนี่ต้องเตรียมไว้หน่อยเอาทีนี้ต่อไปนะ อ่านนะเห็นเด็กอ่อนๆใ น, เ, นเขาอุ้มเด็กๆเนี่ยนะเป็นไงเราสังเวชไหมโอ้เราไม่ได้พ้นเลยนะจากสภาพที่จะไปต้องมานอนแบบนี้อีกเหมงอนนยังไม่ได้พ้นเลยเหมงอนกันนะที่สังเวชใจนี่มีน้อยดีไปถามอีกลูกนี่กี่เดือนแล้วกี่ขวบกี่วันเชื่ออะไรห่ะไปเพลิดเพลินไปชื่นชมไปกับเขาอีกนะก็คุณปู่คุณย่าคุณยายทั้งหลายเนี่ยนะพราะอ้ยทั้งหลายที่ว่าโอ้โอหได้ยินเสียงหลานร้องแล้วเราจะต้องไปนอนแบบนี้อีกแล้วนะ น้อยมากดีเออดีนะฉันมีหลานแล้วฉันเป็นปู่เป็นยา่าเป็นทวดเป็นอะไรแล้วไปเพลิดเพลินแบบนั้นเนี่ยมากกว่ามันไม่สลดอะไรสักอย่างเลยนะแล้วทีนี้สลดสังเวชใจไหมว่าเวลาเห็นคนปุ๊บอ่าคนชราเนี่ยนะเห็นคนชราเห็นคนอายุมากๆจะลุกจะเดินจะเหินเนี่ยสังสลดใจไหมโอ้เราไม่ได้พ้นจากสภาพแบบนี้เลยนะหรือไปเห็นคนป่วยคนไข่อยู่ในโรงพยาบาลทั้งหลาลยอนะไรเนี่ยนะสลดสังเวชใจามากหมเหมือนกัน นะผู้ที่สลดจริงๆเนี่ยมีน้อยอย่างที่พระองค์ว่านั่นแหละแล้วสลดใจอย่างหนึ่งใช่ไหมว่าปารบอบหูน้ำตาในอดีตเนี่ยมีมหาศาลนี่ถ้ายังเกิดอีกนะน้ำตาที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ทุกคนที่ทำอยู่ทุกวันส่วนหนึ่งจริงๆก็คือการทำเพื่อสแสวงหาอาหารวัตถุที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกชนิดนะเป็นอาชีพของคนทั้งหมดเลยน ะ, ะเราเรา ลองมองหาว่าอะไรมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการประกอบอาชีพเลยนะที่ที่ลืมตามองเห็นเนี่ยนะมีส่วนไหนบ้างไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นประกอบอาชีพเลยเนี่ยนะหาไอ้ที่ไม่ประกอบอาชีพนะไม่มีอย่างเช่นสีนี้ก็มีช่างทาสีทำอาชีพทาสีพัดลมก็มีตั้งแต่ช่างพวกตั้งแต่กระบวนการผลิตแม้ตั้งแต่ช่าง ที่รักษาประกอบอาชีพด้วยการทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแม้แต่เครื่องเสียงพวกที่ประกอบอาชีพในการประกอบเครื่องเสียงก็มีขายเครื่องเสียงก็มีควบคุมเครื่องเสียงเป็นต้นก็มีทั้งหมดนะแม้ทั่งเสื้อผ้านี่นะก็มีทั้งหลายอาชีพที่ไปอยู่ในนั้นเนี่ยนะแว่นตานาฬิกาทั้งหลายแล้วตั้งแต่ผมนี่ก็มีอาชีพเกี่ยวกับผมเล็บเนี่ยนะก็มีอาชีพที่ประกอบเกี่ยวกับเรื่องเล็บฟันก็มีอย่างเงี้ยทุกๆส่วนเนี่ยมีหมดเลยแม้กระทั่งผิวหนังขุมขนอะไรมีมีอาชีพที่อยู่ในส่วนนั้นๆหมดเลย เพราฉะในส่วนนั้นนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกทั้งหมดนั่นแหละพันธุ์เขเรียกว่าทุก์ที่เกิดจากการสแสวงหาอาหารผู้ที่สลดสังเวชใจในฐานะแบบเนี้มีน้อยว่างั้นที่ไม่สังไม่สังเวชไม่สลดใจนี่มีมากกว่าแต่ทีนี้ในบรรดาเอาพวกที่สลดมาล่ะพวกที่รู้จักสังเวช น, นะนะศาสตว์ที่สลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีเป็นส่วนน้อย สัตที่สลดใจแล้วไม่เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีมากกว่าถ้าสลดสังเวชใจแล้วโอ้โหมาวิจัยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเอาจริงเอาจังเลยนะมีไม่มากนักเราแต่ก็สลดใจแล้วก็เอะก็ทำมาได้นั่นแหละก็อยู่ต่อไปก็แล้วกันอันนี้มีมากกว่าสัตที่กระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตมีเป็นส่วนน้อยสัตที่กระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้เอกคตาจิตมีมากกว่าโดยแท้ ผู้ที่ปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยน้อยเหมือนกันเดสัตว์ที่ได้ข้าวอันเลิศและรถอันเลิศมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ข้าวอันเลิศและรถอันเลิศยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสแสวงหาด้วยพัดที่นํามาด้วยกระเบื้องมากกว่าโดยแท้เนี่ยนะถ้าถ้าพูดแบบอินเดียนะพวกขอทานกับไม่ขอทานเนี่ยนะตระกูลไหนมากกว่ากันถ้าแล้วแต่ชุมชนนะนะบางชุมชนก็ขอทานมากกว่าใชบางชุมชนก็ ขอทานไม่มากนกัก น, นะแต่พูดอไอเดียเนี่ยโอ้โหพวกขอทานเนี่ยเยอะนะสัตว์ที่ได้อัตถรสธรรมรสวิมุตติรสเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้อัตรรรรถรสธรรมรสวิมุตติรสเนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้นะผู้ที่รู้อัตรู้ธรรมรู้ความหลุดพ้นบรรลุมรรคผลเนี่ยนะมีน้อยเปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่าเรื่อนรมมีป่าที่น่าเรื่อนรมมีภูมิประเทศที่น่าเรื่อนรมมีสระบะคณีที่น่าเรื่นรม เพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งตอและหนามมีภูเขาระเกระก่นี่เป็นส่วนมากฉะนั้นเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากเป็นผู้ได้อัทถรสจักเป็นผู้ได้ธรรมรสจักเป็นผู้ได้วิมุตติรส ถ, ถ้าอัฏฐานี้ได้แก่อะไรอัฏฐานเป็นชื่อของสัจจะอะไรอัฏฐานี้เป็นชื่อขอ ง, ท, ออของทุกขสัจกับนิโรธสั์เนี่ยนะ ธรรมะธรรมะเป็นชื่อของสัตว์จะอะไรสมุทัยศาสตร์กับมัคสตัตต์อัฏฐะเป็นชื่อของทุกข์กับนิโรธธรรมะเป็นชื่อของสมุทัยกับมัคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้ตั้งจิตเพื่อศึกษาเลยนะให้รู้อัฏฐะรู้ธรรมะแล้วก็จะได้วิมุตต์วิมุตต์ก็เป็นชื่อของการบรรลุมัคคุปเนี่ยนะวิมุตติรสเนี่ยโดยทั่วไปก็เป็นชื่อของอริยะผลทั้งหลาย ดูก่อนพีสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เนี่ยนะพึงศึกษาพึงอธิษฐานพึงตั้งจิตน้อมจิตไปเพื่อเพื่ออย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าพูดถึงตั้งแต่ว่าโอเป็นมนุษย์เนี่ยยากมาก น, นะของเหล่านี้ก็เป็นเป็นของยากอันนี้ในในชีวิตของเราเทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นของยากกว่างันทีนี้ของยากที่จะกล่าวต่อไปก็คือพุทุปปาโทจะทุลโโพรเนี่ยนะความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่เป็นของยาก หรืออีกสำนวนหนึ่งบอกว่ากิจโฉพุทธามนันพุทธานมุปปาโทว่าันอุปาทานี่แปลว่าอุปาทะอุปาทะเกิดขึ้น น, น, นะนะการเกิดขึ้นพุทธะของพระพุทธเจ้านะเป็นของยากว่ากันถามว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ยากยังไงใครคุณบุญชูพระพุทธเจ้าเกิดยากยังไ ง, อ, ง อ, อ๋อนั่นแหละอ้นนอนะ จะนอนยากนะทีในี้ในอัตริยะท่านอธิบายว่าถึงการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นการยากเหมือนกันคือยากยิ่งนักเหมือนั้นเถอะเพราะอภินิหารสําเร็จด้วยความพยายามมากในชั้นต้นเนี่ยนะต้องทําบุญตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีอภินิหารก่อนอภินิหารอีกชื่อหนึ่งก็เป็นชื่อของความปรารถนานะคิดว่าต้องทําให้ได้ธรรมะสโมโทัยแปประการก่อน เนี่ยนะถ้าถ้าสมมติคนทั่วๆไปนะตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้าต้องตั้งความปรารถนาให้ได้แปอย่างก่อนนะหนึ่งมนุสสตังต้องทําให้เป็นมนุษย์ก่อนเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์ก่อน 2. ลิงคขสามปาฏิถ้าเป็นหญิงกนะ็ต้องปรารถนาเป็นชายก่อนเนี่ยนะต้องเป็นมนุษย์ด้วยเป็นผู้ชายด้วยเหตุแล้วในชาตินั้นนะต้องมีเหตุคือบรรลุอรหันต์ได้ในชาตินั้นเนี่ยนะ ชาตินั้นเนี่ยนะจะเรียกว่าชาติสุดท้ายก็ได้ชาตินับหนึ่งก็ได้เห็นนะสมมุติว่าส ม, มัยหมาว่าลบฟังธรรมวันนี้นะสมมติถ้าบรรลุอรหันต์วันนี้แต่ไม่เอาละประโยชน์อะไรด้วยชายชาติพลังอย่างเราจะพ้นแก่ผู้เดียวใช่ไหมเราพ้นแล้วก็จะให้คนอื่นพ้นด้วยถ้าคิดแบบนี้อรหันต์ไม่เอาแล้ววันนี้เี่ยนะเพราว่าคนที่สมบูรณ์ด้วยเหตุแบบนี้แหละเห็นนะต้องตั้งความใ ห, ให้สมบูรณ์เหตุอันนี้ก่อนสี่ สัตถานทัศนังต้องเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยในชาตินั้นถ้ามาตั้งความปาา่าเถนะตอนนี้ก็หมดสิทธ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยนะทีนี้ต่อไปหกนะปรปันประชาบันประชาหมายว่าต้องบวช ด, ด้วยนะต้องต้องอยู่ในเพศนักบวชเป็นนักบวชเป็นฤาษีก็ได้เป็นพระที่สูขก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็6คุณสัมัตินี่นะต้องมีคุณสมบัติคืออภิญญาหสมาบัติ8เนี่ยนะ ต้องมีอภินยา5เช่นมีอ ะ, อะไรอิทธิวิธีนะมีตาทิพย์มีหูทิพย์และลึกชาติได้เนี่ยนะธรรมโนมยิทธิอะไรพวกนี้ต้องมีอภิญยา5แล้วก็ทำสมาบัติ8ต้องได้ระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะถามว่าทำไมต้องมีคุณสมบัติอันนี้เพราะเป็นฐานแห่งการคร้ครวรบารมีเนีย่ยนะอันนี้เป็นอุปนิสัยในการพิจารณาบารมีแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าอาธิกาโร อธิการเนี่ยนะต้องสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าด้วยนะตอนนั้นเหมือนกับสุเมศดาบดก็ล้มตัวลงนอนให้พระพุทธเจ้าเหยียบเลยว่างั้นเถอะจะตายก็ตายตอนนี้ก็ไม่เป็นไรพราะงั้นเท่ากับอุทิศชีวิตให้พระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอธิการการกระทําอันยิ่งแล้วสุดท้ายฉันทตามีฉันทะฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพอใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถามว่าแค่ไหนล่ะถ้าก็บอกว่า ถ้าคุณปารธนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคุณต้องทนอยู่ในรกเสียสงไขยแสนกลับนะทำใจได้ไหมบอกได้ น, นะถ้าทําใจได้แนละ้วพอใจขนาดนั้นนี่นะรักที่จะข้ามขนาดนั้นมีติดมางัได้แต่ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมทั้งแปดนะจึงจะได้อันนี้ถ้าถ้าย้อนไปในจุดเริ่มต้นนะต้องให้ได้อภินิหา ร, ป ร, ป, รประกอบด้วยองค์8นี้ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มอะไร ค้นหาพุทธกากธรรมค้นหาธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านับตั้งแต่อะไรนับตั้งแต่บารมีทั้งหลายมีทานบารมีศีลบารมีอะไรเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเนี่ยนะแล้วบารมีเหล่านั้นเนี่ยนะทั้ง10อย่างนี้ต้องมาแบ่งประเภทเป็นอุปบารมีเป็น ปรมัตถ์ปรมีด้วยนะเป็นอุปปรมีอีก10เป็นปรมัตถ์ปรมีอีก10เนี่ยนะเรียกว่าบารมี30ทัศเนี่ยนะสาทัศในบารมี30ทัศนแล้วก็บําเพ็ญอย่างอื่นอีกใช่ไหมบริจาค5ประการเนี่ยนะ ม, มหาบริจาคหคือบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคบุตรบริจาคพัญญาบริจาคชีวิตบริจาคราชสมบัติเสร็จแล้วก็ต้อง มีอธิฐานธรรม4เนี่ยนะอธิฐานธรรมคือสัจจาธิฐานเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเองแล้วก็ยังมีเจริยา3คือโลกัทเจริยาอะไรยาตตะเจริยาพุทธพุทธเจริยาเนี่ยนะต้องประพฤติเจริยาอีก3าตลอดเวลาสอสงไขยแสนกลับนี่นะจึงจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้น แล้วการบําเพ็ญอภินิหารเนี่ยต้องใช้เวลาตั้งเสียสงข่แสนกับเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกจึงเป็นของยากเนี่ยนะของยากเต็มทีเหมือนกันนะพุทธุ ป, ปาโทจะทุลโภเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดยากมากเหมือนกันกว่าจะมีเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ไม่ง่ายเลยมันผู้ที่ได้ศึกษาพระพุทธคุณก็จะเห็นว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกว่าที่พระองค์จะได้เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของยากอย่างที่กล่าวไปแล้ว เวลาเราตามระลึกนึกถึงคุณของพระ อ, องค์ก็จะได้เห็นคุณค่าว่าพระ อ, องค์นี้เป็นผู้ที่น่าน่าเคารพน่าเลื่อมายเป็นบุคคลที่น่าตามระลึกนึกถึงมากเนี่ยนะคือในชั้นต้นให้เห็นคุณค่าว่าการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากนะพระพุทธเจ้าผู้มีคุณแบบนี้จะเกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นของยากเนี่นะเพราะฉะนั้นโอกาสอันดีแล้วที่เราจะได้ตามระลึกนึกถึงคุณของพระ อ, องค์ ข้อความในปภาษาทศคุถการนิกายอิติวุตกะในนข้อ270้อกล่าวว่าดูกอาพิสูจนทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีสัตว์มีสองเท้าก็ดีสัตว์มีสี่เท้าก็ดีสัตว์มีเท้ามากก็ดีสัตว์ไม่มีเท้าเช่นงูและปลาเ น, นี่ยนะสัตว์มีสองเท้าเช่นมนุษย์เป็นต้นสัตว์มีสี่เท้าก็พวกช้างไปต้นสัตว์มีเท้ามากเช่น กิ้งเกืนนะนึกได้อยู่กิ้งเกินเนี่ยนะตะขาบกิ้งเกินสัตว์มีรูปก็ดีสัตว์มีรูปคือสัตว์ในเอกโวโกรภูมิหรือปัญจโวกกรภูมิสัตว์ที่ไม่มีรูปก็ดีคือสัตว์ที่ในจตวโกรภูมิสัตว์มีสัญญาก็ดีสัตว์มีสัญญาก็คือในคือในปัญจโวโกรภูมิและจจตวโกรภูมิบางเหล่าสัตว์ไม่มีสัญญาก็ได้แก่อสัญญสัตว์ สัตมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีอันนี้เป็นชื่อของเนวะสัญญามีประมาณเท่าใดสรุปแล้วในโลกธาตุมีสัตว์ประมาณเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะพระตถาคตอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดดูก่อนที่สูทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมสายใน บุคคลผู้เลิศเนี่ยนะเลิศกว่าบุคคลทั้งหลายทุกชนิดเนี่ยนะก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าอันเลิศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่กุศลจิตเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญอันเลิศเหมือนกันเพราะอะไรเพราะตามระลึกนึกถึงบุคคลผู้เลิศอีกอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าอัปปมาโนพู้โธนะคุณของพระพุทธเจ้า ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าผู้ที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีประมาณบุญที่ไม่มีประมาณก็ย่อมเกิดแก่บุคคลนั้นเนี่ยนะในอัตถกถาปรมามัตถีปณีอัตถกถาคุถกานิกายอิติวุตกะเนี่ยนะอธิบายว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าล้ำเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะไม่มีผู้เปรียบไม่มีใครไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าได้เลย เพราะว่าพระองค์นั้นมีพระคุณคือที่ไม่มีใครเปรียบก่อนนะหมายถึงว่าพระองค์นี้ไม่มีใครเปรียบด้วยเรื่องอภินิหารที่ประกอบด้วยองค์8ประการใช่ไหมมีใครบ้างที่ไปมออีอภินิหารที่ประกอบด้วยองค์แปดประการเหมือนกับพระองค์บ้างเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครไปเปรียบกับท่านเลยและการสั่งสมบารมีทั้ง10ประการมาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือบำเพ็ญโพธิสมภารเนี่ยนะสัมภาระแห่งการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยบำเพ็ญมาอย่างมหาศาล ก็บอกว่าควักดวงตาให้เป็นทานเนี่ยอย่างมากมายเนี่ยนะาหัวใจให้เป็นทานบริจาคเลือดให้เป็นทานเนี่ยมากมายมหาศาลจึงกว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจะต้องทำบุญอย่างมหาศาลนี่อย่างหนึ่งนะไม่มีใครเปรียบในการบาเพ็ญบารมีมาเลยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะไม่มีใครไปเปรียบกับพระองค์ได้เลยไม่ว่าในรูปประกายแลย นามากายไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญานัศสนะเนี่ยนะคุณทำทั้งหลายเหล่านั้นมีใครไปเปรียบกับพระองค์ได้มั้งในบรรดาศีลทั้งหลายเนี่ยศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้หิรดโอตะปาะนะจะลืมเรื่องติลละศีลมีฮิรดโอตะปะเป็นเหตุใกล้ในบรรดาคนที่อายชั่วกลัวบาปที่สุดมีใครเกินพระพุทธเจ้าบ้าบง ไม่มีใครเพราะฉะนั้นคนที่มีฮิริโอตะปะเกิดมากที่สุดคนนั้นมีศีลมากที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลอย่างมหาศาลเนี่ยนะนี่พูดถึงศีล น, นะถ้าพูดถึงสมาธิหรือสมถะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเข้าฌานได้ทุกชนิดเนี่ยนะในบรรดาฌานทุกชนิดพระองค์เข้าได้หมดเลยแล้วเข้านานขนาดไหนก็ทําได้ปฐมฌานมีกี่ชนิดเข้าได้หมดทุติยฌ า, านมีกี่ชนิดตัตยยฌานจตุทัชฌานเนี่ยนะปัญจมฌานมีเท่าไหร่พระองค์เข้าได้หมด หรือแม้กระทั่งอรูปปชาญมีเท่าไหรพระองค์ก็เข้าได้หมดเลยเนี่ยนะอันนี้พูดถึงสมาธินะถ้าพูดถึงปัญญาเนี่ยนะไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรู้เนี่ยนะคนตาบอดนี่เขาบอกว่าไม่มีใครเห็นเขาล็อกคำว่างกันถ้าถามว่าพูดอย่างนี้พูดถูกไหมไม่ถูกนะสมมุติของเรานี่นะอยู่แท่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็มีรัศมีสายตาอยู่แค่เนี่ยเราจะบอกว่าไม่มีใครรู้กว่านี้อีกหรอกเป็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะ รุ่งเรืองในในกลางวันใช่ไหมก็ส่องเห็นโลกทั้งหมดพระพุทธเจ้านี่นะมีปัญญามองเห็นไกลกว่าแสงอาทิตย์หลายหลายเท่านักมังงั้นเลยหรือว่าอุปมาเปรียบเทียบไม่ได้ว่าดวงอาทิตย์นะถ้ารวมดวงอาทิตย์ไปกี่ดวงอจึงจะเท่าพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ดวงอาทิตย์จะส่องเฉพาะในกาลปัจจุบันเท่านั้นถ้าจะรู้นะก็รู้จะส่องให้เห็นแสงสว่างในตอนปัจจุบัน แต่ถ้าพระพุทธเจ้าส่องแม้แต่ในอดีตเป็นโกดล้านกลับอะไรพระองค์ก็ส่องได้หมดเลยอนาคตที่จะมีต่อไปอีกกี่พันล้านกับพระองค์ก็ส่องได้หมดปัญญาของพระองค์ส่องแม้กระทั่งที่ดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงเช่นโลกันตนรกเนี่ยนะดวงอาทิตย์ส่องไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าส่องเห็นเนี่ยนะพรหมโลกนี่ไม่มีไม่ต้องใช้ดวงอาทิตย์นะพระองค์ก็มองเห็นเพราะฉะนั้นพระองค์นี่มีปัญญากว้างขวางยิ่งกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์มากมายมหาศาลเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไม่มีใครไปเปรียบเทียบพระองค์ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์พอพูดถึงความหลุดพ้นนะคนอื่นบางคนก็จะหลุดพ้นแค่ระดับโสดาบันใช่ไหมสกทาคามีอนาคามีหรือหลุดพ้นแบบระดับพระารหารันพาฐหันก็ยังมาแบ่งประเภทเป็นอะไรสุขวิปัสสก์เนี่ยนะทำกิเลสให้หมดไม่มีอภิน ญ, ญาอะไรกับเข้าหรอกบางองค์ก็เป็นอภิญญาหกบางคนก็เป็นวิชาสามบางท่านก็เป็นปฏิสัมพิทาสี่ บางท่านก็ได้วิโมกแปดด้วยแต่ในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็สู้อัครสาวกไม่ได้ถึงจะมีอย่างนั้นก็สู้ภาษาบุตรพระโมคขาลานะไม่ได้ภาษาบุตรกับพระโมคขาลานะถ้าเทียบกับพระปัเจกับพุทธเจ้าก็ห่างกันนักห่างกันมากเพราะอะไรเพราะว่าบำเพ็ญบารมีมาแตกต่างกันมากความรู้จึงแตกต่างกันมหาศาลทีนี้พระปเจกับพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าก็ห่างกันนักเหมือนกันเถิด พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นล้านองค์ก็ไม่ได้เท่ากับพระพุทธเจ้าองค์เดียวเลยว่างั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ผู้ใดไปเปรียบเทียบกับท่านเลยนะในในยุคในช่วงนี้นะท่านจะเปรียบได้กับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่เกิดพร้อมกันอันนี้แน่นอนพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดพร้อมกันสององค์เพราะฉะนั้นพระองค์ชื่อว่าล้ำเลิศเพราะไม่มีผู้เปรียบเทียบนี่อย่างหนึ่ง แล้วก็พระ อ, องค์นี้ชื่อว่าล้ำเลิศเพราะเป็นผู้สูงสุดกว่าสัพพสัตว์เนี่ยอย่างหนึ่งเพราะอะไรถ้าพูดถึงมหากรุณาที่คุณเนี่ยนะใครจะไปเทียบถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าน่ายกตัวอย่างว่าตื่นเช้ามืดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่พระ อ, องค์เจริญอันแรกคือกรุณาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายแผ่พระมหากรุณาที่คุณเนี่ยนะไปในสัตว์ไม่มีประมาณอะ่ะแล้วเป็นกรุณาสมาบัติยานที่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะระลึกตั้งแต่ว่าโห โ, โลกนี้ ยกพลแล้วเคลื่อนพลแล้วโลกเนี่ยลุกโชนร้อนอยู่เป็นนิดเป็นต้นน่ะโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัญหาแล้วก็พิจารณาถึงบาปประธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในสัตว์โลกเนี่ยนะเจริญพระมหากรุณานเนี่ยไปในสัตว์ไม่มีประมาณเตือนเช้ามานี่มีแบบนั้ น, นยังไงนีตือนเช้ามาก็เออขอให้สัตว์เป็นสุขเป็นสุขเถอะหรือว่าเตือนเช้ามาไอ้ใครจะเอามาให้อะไรมาให้เราบ้างหรือว่านั่งบนใครอยู่กันน่ะก็ห่างกันเลือกเกินเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยพระกรุณาที่คุณเป็นต้นนี่นะถ้าคนที่มีกรุณากระตุ้นเตือนนะก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายนั่นเองอันนี้ก็พูดถึงบางส่วนนะในที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ลำเลิศ